จเจริญธรรมวันนี้วันที่ยี่สวันอะไรวันพฤหัสบดีย4สี่กรกฎาคม2 5งพันห้า้อาบเจ็ดวันนี้วันจะเรียนเรื่องของความรักสิบมิติกันนะ อาตมาก็จะเอาหนังสือเรื่องความรักสิบมิตินี่มาอ่านไปด้วยรู้สึกว่าอาตมาจะบรรยายไปเองกับอ่านไปตามหนังสือนี่ดูตามหนังสือจะดีกว่าอาตมาพูดเองนะอาตมาพูดบรรยายไปเนี่ยรู้สึกว่าไปไกลเหลือเกินแล้วพูดไปพูดไปมันเกินไปเดียวๆแว้เข้าไปหานิพทรีย์ยังไม่ทลายเลย เลยมันเริ่มไม่เป็นมิติที่หนึ่งที่สองที่สามที่4หรทอทีทนะมันก็เลยเออมันเคยเข้าทีมันไม่เป็นขั้นเป็นตอนนะเอาเป็นขั้นขั้นไปกันลวกันนะเอากล่นก่อนกันลวกันนะจากหนังสือสองฉบับนะความรักสิมมิติสองฉบับนี่มันคนละอย่างเลยคนละอย่างตรงที่ว่ามันคนละสำนวนแต่เนื้อหาเดียวกัน พ้าว่าำนวนมันเขียนเอาํำนวนมันเขียนต่างกั น, นสะจำนวนอันหนึ่งก็อธิบายไปก่อนตั้งแต่เล่มแรกบรรยายไปแล้วก็มารวบรวมเป็นหนังสือไปส่วนอีกจำนวนหนึ่งตั้งใจเขียนโดยเขียนใหม่เลยนะไม่เยมเกี่ยวข้องกับ เ, เ, เล่มเก่าที่อยู่แล้วเอาความเข้าใจความรู้ของตนเองเขียนไปเลยมันก็เลย สำนวนคนละเรื่องเลยคนละอย่างเหมือนถ้อ่านหนังสือสองเล่มจะชื่อเดียวกันชื่อของพระสิมิติเหมือนกันไล่กันไปเหมือนสองคนเขียนแต่เนื้อหามันตรงกันในเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งแรกอาตมารบรรยายในปศ .2517 ปศ .2517 เริ่มต้นว่าอาตมาเป็นบรรยายที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สวัสดีท่านอาจารย์และนักศึกษาทั้งหลายเทตมาได้รับนิมนต์มานี่ก็จะเพื่อจะได้จะได้พูดถึงเรื่องที่พวกคุณได้รู้กันมาบ้างแล้ ว, วจะขยายความเพิ่มเติมให้กว้างขวางและลึกซึ้งขึ้นไปกว่าที่เคยได้ได้ดูกันมาอยู่ทั่วไปนในขอบเขตของเรื่องความรักพอบอกว่าความรักพวกคุณก็คงจะนึกรู้กันอย่างเทตมาได้กล่าวแล้ว แต่ว่าเราจะรู้กันขนาดไหนก็ลองฟังดูคุณได้จำกัดคำนิยามงคำว่าความรักของคุณไว้อย่างไรเข้าใจว่ามันมีความหมายอย่างไรและคุณจริงจังกับมันแค่ไหนหรือว่าทำให้มันเกิดกับตัวคุณขนาดไหนก็ลองฟังดูนี่ เิ่นมาตั้งแต่ตอนนู้นเลยนะคําว่าความรักหมายความว่าความทุกข์ขึ้นตนอย่างนี้เลยใส่เปี๊ยงเลยคําว่าความรักเนี่ยหมายความว่าความทุกข์คนทั้งโลกฟังแล้วก็บอกถ้าเขาศึกษาทางธรรมมาคนเขาจะบอกว่าเออพอพ อ, พอจะพอจะเข้าใจขึ้น เพราะเขาได้ยินแน่ได้ยินคำสอนพระเจ้ามาแต่พอว่าความรักหมายความว่าความทุกคนทั่วไปก็บอก mm hmm. ก็มีความรักกันว่าทุกที่ไหนมันสุขจะตายแม่พูดเป็นเล่นไป mm hmm. เขาแสวงหากันนั้นแหะความรักอัอตามาก็พอพูดอย่างนี้แล้วว่ความรักหมายความว่าความทุก เนี่ยตมาไม่ได้กล่าวเองพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ความรักคือความทุกข์เนี่ยที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกขพระพุทธเจ้าท่านตรัสทั้งกล่กาวไม่ใช่อัตมาพูดหลายคนก็คงได้ยินมาก่อนแล้วไม่ใช่ว่าอัตมาจะแกล้งกล่าวและตมาก็ได้เข้าใจจริงๆเลยว่าความรักเป็นความทุก lifelong. เพราะว่าความรักนั้นมันเป็นความเกิดความรักเป็นความเกิดน่ะ คือชาติชาตินี่ภาษาบาลีว่าชาติเป็นความเกิดชนิดหนึง่งถ้าความรักนี้เกิดในใจของผู้ใดคือผู้นั้นกำลังมีทุกข์อยู่ความรักเกิดในใจของผู้ใดผู้นั้นกำลังมีทุกข์อยู่ชาติปิทุคาชาติแม้ว่าได้ใดทุกข์ั้งนั้น ทำไมถึงทุกข์เพราะว่าความรักมันเป็นของปลอมเป็นของที่ไม่มีจริงความรักเนี่เป็นของปลอมเป็นของที่ไม่มีจริงเป็นความหลงเป็นความโง่โอ้โหเอาหนักเอาหนักเป็นความหลงเป็นความโง่หรืออวิชชาของผู้ที่หลงว่ามี มันจึงต้องทุกข์เพราะสิ่งที่ไม่จริงนั่นทีนี้ถ้าผูดด้ใดจะยอมทนทุกข์เพราะความรักอตอนนี้ขยายความถ้าผูดด้ใดจะยอมทนทุกข์เพราะความรักก็ต้องรู้ให้รู้ว่าเมื่อมันทุกข์แล้วเรายอมให้ความรักนั่นอยู่ในใจแล้วก็ควรจะมีความรักหรือความทุกข์ ที่เป็นประโยชน์ก็มันจะมีแล้วก็ให้มันเป็นประโยชน์มันทุกแต่มันเป็นประโยชน์ก็ยังดีนะแต่ถ้ามันทุกแล้วไร้ค่าไร้ประโยชน์ด้วยก็จงเลิกมันเสียจงหยุดมันเสียอย่ามีเลยไปทนทุกข์เพราะมันทำไมกันนะความรัก ที่ไม่เป็นประโยชน์เลยเป็นความรักที่เลวที่สุดมีค่าต่ำที่สุดก็คือความรักชนิดที่พอกพูนได้สั่งสมความเห็นแก่ตัวตความรักที่เห็นแก่ตัวพอกพูนความเห็นแก่แก่ตัวให้มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นส่วนความรักที่แผ่ขยายแวดวงออกไปให้กว้างขวางได้มากเท่าใด ก็จะยิ่งมีคุณค่าสูงยิ่งขึ้นเท่านั้นจนกระทั่งสามารถแทงทะลุขอบเขหรือแวดวงความรักโดยสิ้นเชิงบรรลุถึงอิสรภาพอันไพยบู์โดยการทำลายพันธนาการแห่งความรักได้ในที่สุดซึ่งอัตมา จะแบ่งแยกระดับหรือว่าขั้นตอนอความรักในมิติต่างๆดังต่อไปนี้ที่บอกว่าความรักเป็นความไม่จริงเป็นความโง่เป็นความหลงเป็นของปลอมอะไรพวกนี้เนี่ยมันยากที่จะเข้าใจเพราะเกิดที่ใจใครแล้ว มันเป็นกิเลสและวิชาที่มันเกิดในคนมีกิเลสนั่นจริงเขาก็บอกว่ามันก็ต้องมีก็เห็นอยู่คนทั้งนั้นทั้งนั้นมันก็มีความรักนั้นน่ะถึงเวลาวาระมันก็มีอีตอนไม่มีก็ไม่มีไอตอนมันมีจริงๆร่ะมันมีจริงจริงแล้วมันเห็นง่ายว่ามันมีพอบอกว่ามันไม่มีมันไม่จริงเห็นยาก เห็นยากอัตมาเคยเทียบสิ่งที่มีจริงแต่มันไม่มีจริงเนี่ยเทียบว่าคำโกหกเนี่ยมันมีจริงไหมเออก็เคยโกหกกันทั้งนั้นน่ะมากมั่งน้อยมั่งแล้วแต่แต่มันไม่จริงใช่ไหมคำโกหกเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงมันไม่มันมันไมน่อัตมาว่า ยกตัวอย่างอันนี้เนี่ยมันชัดมากแล้วนะเหมือนกันนะความรักก็เหมือนกันนะ่ะมันมีจริงในคนโง่น่ะในคนหลงแต่ว่ามันไม่จริงมันไม่จริงมันไม่อยู่ในอารมณ์มนยุยจิตทาวอนจงกทั้งเที่ยงแทะตอให้เป็นกาลมนิษร้อยกามนิษ์ โอ้โหรักกันจริงรักกันจังตายแล้วก็จะต้องไปเกิดในสวรรค์ด้วยกันอะไรว่ากันไปมันก็ไม่จริ ง, ง, เ, องอเออระวังเถอะมันจะเข้าตาเอา <laughs> แล้วมันเข้าตาตัวเองอะจะยุง่ง <laughs> อ้าต่อคือที่พูดไปนี่เก็พูดไปให้ความให้ความให้ความรู้แล้วก็ให้สะกิจใจและก็ให้ไปปรงแม้จะเป็นเด็กๆด็กหนุ่มสาวมันก็อย่างนั้นมันก็เกิดอารมณ์พวกนี้เพราะามันเป็นกินเลสธรรมดาที่มันมีในมนุษย์โลกมาแล้วเป็นอวิชชาที่เป็นสังขารชนิดหนึ่งนี่นนพระเจ้าท่านก็ตรัสรู้เรื่องนี้ แล้วถ้าเกิดมาสอนมาแนะนํามาภาคเพียนที่จะบอกให้เข้าใจอย่าไปสร้างอย่าไปเป็นอย่าไปมีเลยเรียนรู้ให้ดีๆแล้ล้างแม้มันยังค้างอยู่ในจิตมันค้างค้างกับคากันล้างมันออกจนเกิดปัญญายาณแล้วก็ล้างมันจริงๆจนกระทั่งในจิตมันไม่เกิดอีกมันไม่เคยมันไม่ไม่มีอีกไม่มีอีกไม่ละมันก็สบายมันก็ไม่ทุกข์มันก็ไม่โงออ่ามันก็ไม่หลงอะไรตรายจริงๆเลย แต่คนก็เชื่อยากเชื่อยากแม่ตมาจะยกตัวอย่างมันเหมือนกับคำโกหกนี่แหละมันมีจริงจงเหมือนคุณรู้สึกความรักมันมีจริงคนมันมีทั่วไปดื่นดาดเลยแต่มันเป็นเรื่องไม่จริงเหมือนคำโกหกเนี่ยมันพอเข้าใจเลยนะคำโกหกมันเรื่องไม่จริงเข้าใจเข้าใจเลยนะความรักมันก็ไม่จริงเหมือนคาโกหกก็แหละแต่มันก็ยังงงอยู่พอเกิดกับตัวเองละ ก็แตเองานไงนะเอามิติที่หนึ่งเพศสัมพันธ์หรือความรักระหว่างเพศนะขึ้นต้นอย่างนี้เลยนะตมาเทศน์ตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ยความรักเพศสัมพันธ์หรือความรักระหว่างเพศตรงๆเลยนะไม่ว่าจะถึง ไม่ว่าจะหมายถึงเพศตรงกันข้ามหรือว่าวิถานความรักแบบวิถานจนเป็นเพศเดียวกันอันมีจุดหมายไปในทางการมารมเป็นหลักใหญ่เนี่ยเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามกันก็ช่างมีอาการอารมณ์แบบนี้เป็นความรักขั้นเลวที่สุดระดับที่หนึ่งธรมาจัดอยู่ในระดับเลวที่สุดระดับที่หนึ่ง ที่บอกว่ามันเลวหรืออะไรค่าที่สุดก็เพราะว่ามันขาดทุนที่สุดความรักชนิดนี้มันขาดทุนที่สุดใครมีความรักแบบนี้ขาดทุนที่สุดมันจึงไร้ค่าจริงๆนะขาดทุนยังไม่พอมีน้ำซ้ำยังนึกว่าตัวเองได้กำไรซะด้วยนั่นนะ ความขาดทุนที่สุดทำไมพอม่ยำซ้ำยังนึกว่าตัวเองได้กําไรสิอีกนั่นคือความขาดทุนที่มุนรอบเชิงซ้อนเข้าไปอีกขาดทุนสองเด้งหรือขาดทุนยกกําลังคนที่มีความรักแบบนี้นึกว่าตัวเองได้สิ่งหนึ่งสิ่งนั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอลิกะอลิกะภาษาบาลีอลิกะ แปลว่าความหล่อและความเท็จหรือความตอแหลอริกาตัวนี้มาต่อหางคำว่าสุขเขาเรียกว่าสุขคัลิกะเติมเข้าไปให้เต็มยศของคำว่าความรักที่สุดท้ายก็จะลงเออได้วยการมรมก็คือกามสุขคัลิกะ กามบวกสุขบวกอลิกะรวมความแล้วแปลว่าความใคร่ที่เป็นหลงว่าเป็นสุขแต่มันก็ตอแหละสะบัดช่อนี่คำเทพของอาตมานะพูดบรรยายทั้งตัวโน้นเลยใครมีหนังสือเล่มนี้ก็เห็นเลย อ, อยู่ในหนังสือเล่มนี้แหละเล่มแรกไม่ใช่เล่มที่สอง <c oughs> แต่เราก็เป็นหลงไหลนะไปหลงไหลว่ามันว่าแมมั น, ม, นมันเป็นสุขเกิดดีมันชอบใจชื่นใจมันหลงไหลเพ้อพกอยู่กับมันนะั่นแหะนะที่ไปทำที่เป็นยังไงก็เพราะว่าอาวิชชานะเพราะความไม่เข้าใจถึงแก่นแท้ยังไม่เกิดอภิปัญญานะยังไม่เกิดอภิปัญญาจึงเป็นหลงมันว่ามันเป็นของมีจริง เป็นของมีค่าเดิลงมเป็นของมีค่าแต่แท้จริงแล้วขาดทุนเหลือเกินถ้าใครเกิดความรักในเรื่องการมารลมหรือเมทุนธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ขาดทุนจับเยินนะอาตมาจะวิเคราะห์ให้ฟังว่าทำไมมันจึงขาดทุนที่มันเป็นความรักที่ขาดทุนที่สุดไร้ค่าที่สุดก็เพราะเหตุว่า กว่าจะรักกันได้นั่นะต้องจับจ่ายทั้งวัตถุทรัพย์สินเงินทองแรงกายแร ง, แรงสมองอรวมทั้งเวลาที่ต้องสูญเสียไปอลองนึกดูเองว่าจะต้องจับจ่ายอย่างไรผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามผู้หญิงก็เริ่มต้นตั้งแต่จะต้องซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัว ถ้าบอกว่าจะเจอกับคู่รักที่เริ่มจะรักกันใหม่ๆแล้วราก็เอ้ยอย่าบอกใครเชียวจะต้องพินเลิศพีไลจะต้องประดับประดาตกแต่งให้เพลิดพลิงที่สุดนนึกถึงธรรมชาติสัตว์เดรัจฉานเนาะเวลาเว้จะติดสัตว์เวลาติดสัตว์โอ้โหมันจะแสดงตัวพลิ้งพลายดีดินโนเห็นไหมเห็นเวลานก นกหลายประเภทเวลามันจะมันทำเป็นกระดุ้งกระดิ่งมันทำเป็นพองขนมันเป็นโอสีเสรมันก็ขึ้นเลยนะสีสันอัตมาเคยเลี้ยงนกฟินช์นกฟินช์หลายชนิดพอถึงฤ ด, ดูฤ ด, ดูการที่มิฤ ด, ดูเท่านั้นนะฤ ด, ดูการที่มันจะผสมพันธุ์มันก็จะตัวผู้มันจะสีออกสวยเต็มหลายหลายอย่างหลายฟินช์หลายชนิดนะ พอเวลาหมดเดูแล้วหายไปสีสันพวกนี้ไม่มีอ่ะหายไปนี่เป็นธรรมชาติโอ้โหหรือแม้แต่นกบางชนิดนี่นะในตอนที่มันจะแสดงความรักเกี่ยวพาราสีกันเนี่ยตัวผู้นี่โอ้โหมีสีสันขึ้นมาทันทีเลยทั้งตังหน้าตาตัวตนไปจนทั้งขนขนอะไรพองอะไรด้วยสีก็ขึ้นจริงๆอ นกยุงไม่ขึ้นสีเท่าไหร่นะนกยุงแพ่แพแต่ว่านกหลายชนิด่มันมีสีเลยแต่เวลาจบมัไปมันมีอะไรของมันอ่ะมันมีเคมีธาตุอะไรของมันมันทําให้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคนก็ไอ้นกมันมันก็ไม่รู้จะทําเหมือนคนคนแต่งจริงๆแต่แต่งไม่เหมือนสัตว์เดรัจฉานนะหาอะไรมาพอกมาแต่งแต่งจังเลยมันก็จะทําเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานมันแต่งตัวมันนั่นแหละนะ จะต้องพิดเลิดพิดไรจะต้องเปิดพริ้งโลงทุนจ่ายพลังปัญญาต้องรู้ให้ได้ว่าพอจะบุคุณจะชอบเสื้อสีไหนชอบน้ำหอมกลิ่นไหนชอบท่าทางเดินอย่างไงจะต้องสอดส่องดูแล้วพยายามทำให้ต้องใจต้องตาต้องอารมณ์ต้องกลิ่นต้องจมูกต้องลิ้นต้องกายอะไรก็ไม่รู้แล้ว ลงทุนในสมบัติไปเลยไหนจะเสื้อแพงของแพงอะไรจะต่อมีอะไรก็ต้องแพงแพงก็จะต้องพยายามขนขวายหาซื้อมาให้ได้ทีนี้ก็ต้องลงทุนจับใจทั้งทุนทรัพย์และเวลาที่ต้องเป็นเดินเซิร์ช้อปปิ้งหาซื้อเข้าของต่างๆเหล่านั้นมาประดับตกแต่งหลอกต่อนหลอกล่อ ก, กันอวดโชมกันเลยเชียวพยายามทุกวิธีทางเพราะว่าต้องการจะให้สเร็จผล จะต้องรักกันให้ได้่ังเ้นเถอะฝ่ายทางด้านพอจะบกคุณก็เหมือนกันจะต้องจับจ่ายต่างๆนานาหาไอโนนไอนีไปประเคนให้เป็นของขวัญดอกไม้จ้าน้ำหอมจ้าประยานใหญ่อะไรก็ไม่รู้ละจะต้องซื้อหามากำนันกันต่างๆนานายยิงประเภทเจ้าบุญทุ่มก็ยิงแล้วเลย ต้องพยายามทุ่มเทให้ได้มากที่สุดให้คุณเธอเนี่เห็นว่าพึ่งพาอาศัยได้ยิ่งแสดงความมั่งมีร่ำรวยหรือว่าแสดงความเป็นหลักเป็นฐานทำนองว่าถ้ามาอยู่กับพี่แล้วราลรองน้องจะไม่อดตายแสดงเข้าไปเลยไม่รวยก็จะต้องแสดงว่ารวยไม่ใหญ่ก็ต้องแสดงว่าทาเป็นใหญ่ หรือว่าถ้าหากว่าจนก็ต้องแสดงว่าตนมีความสามารถถึงอย่างไรก็ปกป้องเธอได้จะเลี้ยงเธอร อ, รอดทํามาอยู่กับพี่หรือว่ามุมกลับแห่งจิตวิทยาใดก็แล้วแต่จะพึงใช้ก็จะลงทุนสุดใจไม่เกง่งก็จําต้องทําตนให้เก่งที่สุดต้องแสดงให้คุณเธอเห็นเต็มที่ว่าหากมาตกกร้องป้องชิ้น เกิดความรักกับพี่แล้วเธอจะต้องได้กำไรสุดช่วงตัวทีเดียวลงทุนกันเข้าไปแสดงสุดฤทธิ์สุดเดชยิ่งกว่าละครเรื่องเอกซึ่งมีตัวเองนั่นแหละเป็นดารานำแสดง <c oughs> หรือแม้แต่การแต่งตัวก็ของผู้ชายก็ด้วยผู้ชายสมัยนี้แต่งตัวกระจนอัตมา ต, ต้องหลบทุกที เพไม่รู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าเห็นข้างหลังแนละ้วต้องหลบทุกทีเหมือนกันหมดถ้านุ่งกระโปรงก็ค่อยอยังชั่วนี่ดีอยู่นิดเดียวผู้ชายไม่นุ่งกระโปรงถ้านุ่งกระโปรงด้วยอาตมาคงจะลำบากใจกับอย่างนี้กว่ายิ่งกว่านีน้บางครั้งออกไปในสถานที่ชุมนุมชนพอดีเดินไปไม่รู้บางทีก็ขึ้นรถเมย์ไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชาย ถ้าเดินเห็นข้างหลังแล้วมันเหมือนกันหมดถ้านุ่งกางเกงมอดกางเกงอะไรพวกนี้มันคล้ายกันและบางทีผู้หญิงก็นุ่งทรงเด็บซะด้วยเลยไม่รู้ว่าจะเป็นนักครบหรือว่าจะเป็นนักล่าความรักไม่ไม่รู้เหมือนกันไอทรงผมนะ่ะไว้ใจไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ผู้เพราะผู้ชายหมดสปิิทซะแล้วการไว้ผมยาวนะั่นเป็นเรื่องของสติสิทิของผู้ชายที่จะต่อให้ผู้หญิง เพราะว่าผู้หญิงเนี่เป็นเพศที่ไม่สวยโดยธรรมชาติฟังความนี้ดูนะผู้หญิงนี่เป็นเพศที่ไม่สวยโดยธรรมชาติเพราะสัตว์เพศผู้ต้องสวยกว่าสัตว์เพศเมียและผู้ชายก็เลยต่อให้หนะ้า ต, ต่อให้ผู้หญิงว่าเออเอาให้คุณเธอไว้ผมผมยาวไปเลยให้เป็นเหมือนสิงโตโตผู้ ง, งามๆหน่อย ส่วนผู้ชายก็ตัดผมสั้นเสียก็ได้นี่ก็เป็นสเปรดของผู้ชายมีมาแต่ดั้งเดิมเป็นสเปรดของเพศผู้ที่มีสเปรดจริงๆต่อให้ผู้หญิงการไว้ผมสั้นของผู้ชายเนี่ยต่อให้ผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงเขาไม่งามผู้หญิงจะผู้หญิงก็เลยแก้ปมได้ของตนเองในการไว้ผมยาว ทาตรงนน่นเขียนตรงนี้โป่งตรงโน้นแฟบตรงนี้ทําให้มันมีอะไรต่ออะไรเข้าไปในตัวเพราะว่าสัตว์เพศผู้มีเขางามเขาก็มีกล้ามเนื้อสีสันสัดส่วนแยะดูสิตัวตัวผู้หรือว่าไก่หรือว่าประกัดหรือว่าอะไรก็ได้สัตว์ชนิดไหนก็ตามแต่จะเห็นว่าสัตว์เพศผู้นั้นกล้ามเนื้อแยะสีสวยขนงามดำครับหรือสีสันของสัตว์บางชนิดก็มีหลากสี นี่เป็นเรื่องของธรรมชาติหรือว่าธรรมดาที่มีมาแต่ไหนแต่ไรเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็จะต้องแก้ปมด้อยเอาทั้งเขียนทั้งทาทั้งพอกอะไรกันเข้าไปเธอเนะ่ยเยอะแยะอย่างที่เป็นที่เห็นอยู่อย่างในโลกที่มีอยู่นี่แหละผู้ชายเนะ่ยแด่ดั้งเดิมนะ่ยต่อให้ผู้หญิงแล้วโดยสปิริตเ่บอกว่า เอาอนุโลมตกลงเราไม่ขมหมูมากเกินไปล่ะหนวดเขาก็โกนเสียถ้าไม่โกนมันก็จะยิ่งเพิ่มความสง่าเยอะเพราะฉะนั้นหนวดเขาก็โกนผมเผาก็ตัดเสียต่อให้ผู้หญิงแต่เดี๋ยวนี้แม่ม่ผู้ชายก็แย่ลงหมดสปริตเลยไว้ผมยาวเหมือนผู้หญิงแล้วแถมไปแย่งเอาเอาการแต่งตัวมันผู้หญิงเข้ามาด้วย เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับผู้ชายอัตมาเองก็ไม่ถ้าเผือว่าจะเป็นเป็นการขายหน้าขายตาแทนมันก็ขายหน้าแท น, แทนจริงๆเหมือนกันในความเป็นผู้ชายเพราะว่าผู้ชายลดสปิริตเสร็แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงนี่นอกเรื่องไปนิดนึงแถมเผื่อเป็นประโยชน์มาว่ากันต่อความรักชนิด ที่เรียกว่าความรักสำหรับเมถุ น, นเมถุนหรือกามเนี่ยมันไรค่าเพราะมันต้องลงทุนมากมายจ่ายไปเถอตั้งแต่วัตถุเงินทองจนกระทั่งกำลังปัญญากำลังความคิดคิดว่าจะทำย่างไรเนอะจะให้เขาโถมความรักมาให้ฉันสุดยอดสุดชีวิต แทนที่จะคิดถึงงานในหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบตามฐานะของตนก็ที่กําลังทําอยู่ก็ไม่ละคิดแต่ว่าจะทําวิธีไหนให้เขารักมากกว่า น, นี้วัตถุเงินทองมีเท่าไหร่ก็ใช้อย่างสิ้นเปลืองโดยโดยใช่เหตุแรงกายมีเท่าไหร่ก็พลานปลาไปสิ้นเปลืองไปอย่างไร้ค่าโดยการเตรดมาการเตะการเทียเท่ยวเที่ยวเที่ยวไปหาเธอเธอมาหาฉัน มันมีการสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์กันระหว่างดารานี่ยเขาจะชอบสัมภาษณ์เรื่องผู้หญิงผู้ชายคู่กันจะจับคู่กันชอบสัมภาษณ์เสร็จแล้วเขาก็บอกทำไมเลิกกันน่ะมันไม่ควรมีเวลาให้กันเขาว่ามันไม่เวลาให้กันงา น, นต่างคนต่างเยอะเลยต้องเลิกกันเออมันรักกันมัน ม, มเห็นชัดเจนไหม มันไม่ีเวลาให้กันมันจะต้องให้กันคือมันก็มันจะต้องมาจุ๊จี้ชุกจิงจ้องอยู่คู่กันนู้นนี่เป็นความรักอ่ะทำอื่นไม่ได้ ท, ดไไดทำงาน ท, าาทำการทำอะไรไม่ได้พอมันลดประมาณหนึ่งก็บอกไม่เอาละเดิอกันไม่ใช่คู่รักแล้วรักกันไม่ได้แล้วเพราะมันมันไม่มันรักกันมันต้องจุงจิงจูจี้มันต้องอยู่ใกล้กันมันต้องมีเวลาให้กันเต็มๆอยู่ด้วยกันตลอดเวลา เขจะสัมภาษณ์เสมอได้ยินไหมอ่มันต่างคนต่างงานหนักมันไม่มีเวลาให้กันเลยก็อยู่กันอย่างเพื่อนดีกว่าอ่างเงี้ยนะที่จริงก็ดีอยู่เงินเนาะเวลาที่มีอยู่แทนที่จะเอามาสร้างผลผลิตอะไรก็ใหม่แล้วกลับพลานเวลาให้เปลืองเปล่าไปกับการลงทุนเพื่อความรักอย่างนี้ วันหนึ่งวันหนึ่งก็พยายามหาโอกาสที่จะใกล้ได้ใกล้ได้ชิดบางทีก็เป็นนั่งเฝ้ากันก็เอาวันแล้ววันเล่าชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าให้มากที่สุดเท่าที่จะทําไดท้ทั้งทั้งทุกคนต่างก็มีเวลาเพียงวันละยีิบสี่ชั่วโมงแต่ผู้ไม่รู้คุณค่าของเวลานี่ก็กลับผลานพราเวลาเป็นโดยแทนที่จะเป็นประโยชน์อะไรสักนิดก็ไม่ได้ขาดทุนไปเปล่าเสียหายมาก จ่ายมากจ่ายพลังกายพลังปัญญาวัตถุทรัพย์และยังจ่ายเวลาอีกด้วยเผาผลาญเวลาทิ้งทั้งนี้ก็พูดจะได้มาซึ่งความรักจะให้เขารักเรามากที่สุดให้รักมากๆที่สุดนี้จะเป็นรูปร่างไหนก็ไม่รู้ละขอให้รักมากที่สุดก็แล้วกันรักจกนกระทั่งว่าตะหัก ชีนกเป็นไม้ก็ต้องว่าไม้ตามกันชีไม้เป็นนกก็ต้องว่านกตามกันเรียกว่ารักจนตามืดตาบอด <c oughs> <c oughs> อนิยายมันมีนิยายเรื่องรักนี่มันมีมานานมันมีมามากมันมีมาเยอะแล้วไม่จบหรอก ตราบใดที่อวิชา ย, ยังไม่หมดไปจากมหาจักรวาลนีน้ไม่จบเพราะงั้นดูหนังดูละครดูลิเกดูอะไรต่ตางๆนานา น, านี่มีแต่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยหนังละครนี่เวลาเขาจะสร้างเรื่องเพื่อที่จะเอาสาระาเจตนาเหมือนกันนะจะเอาสาระนี้มาเขาก็ต้องมีพระเอกนางเอกมีเรื่องรักเรื่องใครเรื่องชิงเรื่องชังอะไรพวกนี้มาใส่เข้าไป เพื่อที่จะอาศัยพวกนี้มาสื่อสาระเนี่ยนักลครเนี่ยคนเขียนก็ตง่างนั้นนักเขียนทุกคนเพราะนักเขียนบางคนนี่ไม่เข้าใจสาระเลยแต่งเรื่องแต่ให้มันยำฉาในเรื่องความรักความชังพยาบาทแก้แค้นาคาดไปทั้งไอเรื่องนิยายของเขาไม่มีสาระและไม่มีแกนของแกนที่เขาต้องการสื่ออะไรในเรื่องของเขาในนิยายของเขา หลายคนนักเขียนหลายคนดังนะเขียนแล้วมันอร่อยเพราะมีมรสชาติของกิเลสเต็มๆเลยคนไม่รู้ก็โอ้โหชอบชื่อนักกาณิยมนักเขียนพวกนี้ขายดีพวกนี้แล้วเขาเข้าใจว่านะ่คือศิลปะความจริงไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยอาตมา จ, จะยกตัวอย่างให้ฟัง อย่างูดชนะสิบทิศเนี่ยไม่ใช่วัณกรรมเลยขออภัยเถอะคุณยาขอก็ตายไปนานแล้วแลวชอบชมชอบกันอย่างความหลงไลผิดไม่มีสาระอะไรเลยไม่มีสาระแล้วก็กลงเป็นวัณกรรมคือเข้าใจไม่ได้ว่าศิลปะคืออะไรมันกลบเผลือมมลีม่นเรื่องของความรักความใคร่ความ แย่งความชิงความอะไรๆรกันเป้าหมายจริงว่ามันต้องมีเป้าหมายแท้ว่าในเรื่องของอันนี้อันนี้คืออะไรคนที่จะเป็นผู้ที่จะสร้างสิ่งที่เป็นศิลปะให้แก่คนดูจะเขียนภาพภาพหนึ่งจะเอาอะไรมาสื่อสักอันหนึ่งอะไรแล้วแต่ก็ต้องต้องการเนื้อหาสาระเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นี่ศิลปะไม่เข้าใจเรื่องศิลปะกลายเป็นเรื่องมอมเมา การมารมมเมาความติดยึดนมอมเมาความติดยึดจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่กลายเป็นความติดยึดอะไรก็ไม่รู้ได้สาระติดดึรูปแบบติดดึกเทคติดยึดเทคนิคติดยึดวิธีการประกอบอะไรขึ้นมาเพื่ออย่างโน้นอย่างนี้ติดยึดธีการแสดงอารมณ์ออกมาในงาน งานเขียนงานปั้นงานวรรณกรรมงานอะไรเป็นแสดงอารมณ์ออกมาในสิ่งนั้นถือว่าการแสดงอารมณ์ออกมาเป็นศิลปะอันนี้เป็นความผิดทิ่ลงนรกไปเลยเพราะศิลปะมันไม่ใช่เรื่องของอารมณ์ศิลปะมันเอาอารมณ์นั้นเป็นสุนทรียสินเท่านั้นอารมณ์รักอารมณ์โกรธที่เอามาผสมอารมณ์โกรธลงเอามาเป็นกระใสในการสร้างเรื่องให้มัน ชวนเป็นคนเราไม่มีกิเลสไงก็เอาพวกนี้มั น, นําไปหน่อยแต่คนที่สร้างงานศิลป์ไม่รู้เลยกลับนึกว่าทุกคนมันได้อร่อยเพราะรสชาติพวกเนี้โรบโรดหลงเนี่ยรสชาติถึงที่เท่าไหร่นั่นแหะคือฉันมีฝีมือในการสร้างงานศิลป์ความจริงหรือฉันมีฝีมือในการสร้างงานลามก ศิลปะในอาตมาแบง่งเป็นห้าคัน <c oughs> หนึ่งลามกสองราคสามสาระสี่ธรรมะห้าโลกุตรห้าคันห้าอย่างเนี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นลาม ก, กราคะเนี่ยเขาเอาเรื่องอารมณ์เขาเอาเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเอาเรื่องของความรักความใคร่ความโกรธความห ล, ลงมาใส่เข้าไปหมดเลยก็เลยเป็นลามกขันที่หนึ่งเรียกว่าเลเอาเอยำฉาส่วนราคะก็ารู้สึกว่าดีหน่อยดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ศิลปะพวงนี้เรื่องลามกอาจารย์ทั้งนั้นระดับราคานี่แหละ เยอะในตลาดราคาแทบทั้งนั้นนะราคาขายได้ขายดีเพราะคนไม่รู้ไม่รู้ทันอวิชชาไม่รู้ว่าศิลปะคืออะไรมีแต่เอาไปบําเรลอารมณ์สามขัน้นสามขั้นสาระสาระเนี่ยถ้าผู้รู้จักศิลปะก็ต้องสาระที่มีสุนทรียะมีสาระสิลมีสุนทรียศิลป์ประกอบกันนะครับเป็นงานศิลปะ ถ้ามีแต่สาระมันไม่มีสุนทรียะสินเลยเขาไม่เรียกศิลปะเลยเขาเรียกว่าสารคดีเขาเรียกสารคดีมันเป็นสาระจริงๆเป็นวิชาการจริงๆมันไม่มันไม่มีศิลปะอะไรผสมประกอบเขาเรียกว่าสารคดีพญาผู้ดใดที่มีฝีมือในการทํางานศิลป์เนี่ยประกอบสุนทรียะที่มันเออชวนคนได้ดีเหมือนกันแต่ว่า มีสาระที่ทําให้คนได้รับสาระนั้นพอเพียงไม่ใช่คนเป็นหลงแต่รสชาติของอารมณ์ที่เป็นสุนทรีแล้วตกลงเอรับสัมผัสงานศิลปะอันนี้ไม่ได้สาระเลยสาระที่ตัวเองจะต้องการให้ได้คนก็ไม่ได้เลยมันไม่ใช่งานศิลป์แต่งานศิลป์ต้องได้สาระแต่น้อยก็สาระน้อยก็งานดีหน่อย ดีน้อยถ้าได้สาระมากก็งานดีมากแต่สุนตรียสินก็ทำให้คนชวนคนมาดูจริงๆแล้วก็ได้สาระจริงๆแล้วเกิดประโยชน์คนค่าสร้างสรรค์มันก็เป็นศิลปะเป็นมงคลอันอุดมเป็นค่าสึกแก่กุศลก็คือมันเติมกิเลสนั่นแหละถ้าสัมผัสงานศิล์บริโภคงานศิล น, นี่แล้วมีแต่เสริมกิเลสมันไม่ใช่งานศิลไม่เป็นค่าสึกแก่กุศล นี่เอาขอ้อมูลทเจ้านี่มาตัดสินจะได้ชัดเจนถ้าไปถึงขั้นธรรมะศิลปะในขั้นธรรมะก็เป็นสาระด้วยเป็นศิลปะเป็นธรรมะด้วยสูงไปถึงโลกุตระนี่ไม่ต้องพูดเลยศิลปะขั้นโลกุตระเนี่ยซึ่งอาตมาว่าอาตมาใช้ยอยูอ่ซึ่งอาตมาใช่นะไม่ใช่ว่าอาตมาไม่ใช้กระใส ไม่ใช่เรื่องของความเป็นสุนทรีอะไรต่ออะไรบ้างนะก็ใช้แต่ว่ามันก็ได้ขนาดนี้ละนะมันไม่กรบกลืนเนื้อเพราะงั้นคนที่ทำงานสินที่มันไม่ถึไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ถึงกันอะไรพวกนี้เนี่ยมันให้คนหลงในเรื่องของเทคนิค เรื่องของอะไรก็ไม่รู้ไปสร้างพบใหม่ให้คนไปติดยึดสร้างแสงสีเสียงติดทีทีของเขาเรียกทีทีของศิลปะลายมือเก็เรียกทีนี้งงเป็นต้น <c oughs> ไปติดเอกลักษ์ ไปติดเอกลักษณ์ไปติดอัตลักษณ์ของผู้ทำงานสินนั้นเออเขามีแปลกดีเขามีชี้ชวนดีชอบใจชื่นใจก็จบจะชอบฟิปมือชอบลียลาชอบอะไรก็แล้วแต่เขาก็ขายสิ่งนั้นเลยคนหลงไปทั้งโลกไม่รู้ว่าศิละปะคืออะไรนักเข้าติดตัวตนขอเป็นงานคนนี้เถอะ <c oughs> มูากิมาแห้งซื้อหมดนี่คือติดตัวตนใช่ของประจำตัวยอรมาียาอย มันเป็นสิ่งที่จะประจำตัวไม่ปกติมันไม่สมดุลสรีระร่างกายเนี่ย <Yeah. S 1> <c oughs> มันเป็นวิบากกิน <c oughs> ของเราอัตมาวิจาร์ทั้งเรื่องของโลกข้อเหตุปัจจัยที่สร้างสิ่งที่ยุ ต, ติดิดิพวกนี้มันกลายเป็นอบายามุกมันมันจะบอกว่าเป็นกามก็เรื่องของกามเพราะเรื่องของรูปเพราะกินเสียงสัมผัส เป็นส่วนใหญ่เป็นอารมณ์อารมณ์ติดยึดแล้วติดยึดอย่างต้องเสพต้องติด ต, ต้องเสพต้องติดต้องได้แล้วได้ถ้าคนชอบมากก็จะต้องรับมากจะต้องได้บ่อยๆมากๆอย่างชอบเพลงเนี้ยก็ต้องฟังมันอยู่เงี้ยนะขาดไม่ได้อะไรเงี้ยชอบกีฬาก็ดูมันอยู่เงี้ยนะสัมผัสมันอยู่เงี้ยนะ อะไรต่างๆนานานี่มันอวบายยมุกที่เต็มไม่หมดในโลกที่ไม่รู้อวิชชาจัดจ้านขึ้นแล้วก็มากมายปรุงแต่งกันเต็ ม, มหมดในโลกนี้เพราะฉะนั้นโลกทุกวันนี้แทนที่จะเป็นโลกที่มีแก่นสารสาระกลายเป็นโลกที่จมไปด้วยอบายจมเป็นโลกนรกแล้วเขาก็ไม่รู้เขาสร้างนรกมอมเมาสังคมซับซ้อนกันขนาดไหนปรุงแต่งโอ้ เปลืองลานแรงจัดจ้านมากมายมากมายจริงๆาอาตมาพูดแล้วมันเหมือนกับคนขวางโลกเขานิยมชมชอบกันเขาโอ้โหแม่แต่โทรทัศน์ออกนี่ไปเดี๋ยวเบรกข่าวกีฬาข่าวบันเทิงเลือกเบรกข่าวกีฬาข่าวบันเทิงข่าวธรรมะมันไม่เคยออกเลยจริงแล้วจะเอาอะไรจาก สื่อสารมวลชนจะเอาอะไรจากสื่อสารมวลชนไม่เอาเลยได้บ้างเป็นสาระก็สาระที่เป็นการเมืองเป็นข่าวคราวที่มันคนข่ากั น, ค น, กนคนแกงกันไอเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดอะไรก็บอกข่าวกันเท่านั้นก็ะทือว่าข่าวเป็นหลักต้องเป็นสาระหน่อยเป็นข่าวมีแค่นั้นนะสื่อสารวิจารณ์ไปเขาคอมเมนต์หน้าเราเท่านั้นเอง ไม่ใช่ว่าเราเองมันไม่รู้เรื่องของความมันเทิงเริงลมเราก็มีอย่างที่เราทำสื่อสารของเราก็ไม่ใช่ว่าเราไม่มีเรามีแต่เราก็พยายามเอาสาระที่มันได้สาระเป็นประโยชน์ทำอย่างที่อาตมาว่าพวกเราก็ทำดีก็ทำถูกอยู่แล้วมันก็ไม่ได้แข็งเกินไปมันก็ไม่ได้กระด้างเกินไปมันก็ไม่ได้โอโหมันมันไม่ชี้ชวนจะดูเลยในสารคดีของมันมันก็มีอะไรอะไรที่ชี้ชวนไรอะไอย่าง แต่คนเรามันไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่มันเกี่ยวกับเรื่องของโลคโกรธหลงนี่แหละแล้วก็เอามาเหาะมาผสมมาแถมมาอะไรอะไรเข้าไปรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆนันาก็แล้วแต่เขาก็เอามาผสมผสานได้ทั้งนั้นเนี่ยนีมันเมันศิลปะมันละเอียดลึกซึ้งคนไม่ค่อยจะเข้าใจนะ อ๋ะละอตมาแวะที่พูดนี่มันก็อยู่ในเรื่องของกรมมันไม่ไปเป็นเรื่องของแค่ว่าไปเสพในเรื่องของบุคคลสัมผัเสเียสีงบุคคลมันสัมผัสอื่นๆด้วยจนกลายเป็นเครื่องปรุงแต่งที่เรียกว่าศิลปะเรียกว่างานอะไรทั้งโลกเละศเอ่ายชาเป็นอบายมุกยิ่งใหญ่มากเลยอ่าเอาต่อ <c oughs> เรื่องความรักโดยเฉพาะเมทุนเนี่ยจึงเป็นความรักที่มันครอบงาผู้ถูกความรักครอบงำแล้วจะโง่โง่หนักจริงๆก็ขนาดนกแท้ๆเนี่ยใครเข้ากวับความจริงก็คือนกแต่ถ้าคู่รักเกิดตาฟางตาบอดเห็นเป็นไม้เนี่ยก็จะต้องตาฟางตาบอดขนาดไหนก็เรียกก็คิดออกกันแล้วกัน ความรักจะทำให้คนหมดความมีตาทั้งที่ตายังมีเขาบอกว่านั่น น, น่ไม้ทั้งๆที่มันนกเงี้ยเออไม้ตาก็ยังมีเห็นนะเห็นนกล้วมาบอกไม้น่มันก็เรียกว่ามันสิ้นสภาพเลย มันสิ้นปัญญากระดอกปานนี่ อ, อ่จนไม่รู้ว่าความจริงคืออะไระแม้ความชั่วความเลวอย่างไรก็ทำได้ชี้อะไรก็เป็นอนุตามกันไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งมีความรักปักดิง่งก็ยิ่งจะมีความโง่ดิ่งปักลงไปลึกหนัก เพราะฉะนั้นการลงทุนอย่างมหาศาลเพื่อที่จะจให้ได้ให้ได้ให้ได้เท่านี้เท่า น, นี้เองอะทุ่มทุนอย่างมากรวมลงแล้วก็เพื่อที่จะแลกกับสิ่งจอมปลอมชนิดชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอลิกะสุขอลิกะหรือที่เรียกว่าสุขอันตอแหลนั่นเองแล้วก็นึกว่าแม่สบายนักสุขนักอร่อยนักมันนักนเลือดรสมสุดสารพัดนะ นต้องใส่ปี๊บมาให้อัตามาดูหน่อยสิไอ้่าสุกที่ว่ามันมันนักนักนักนักอะอไม่มีปี๊บใส่กระป๋องมาก็ได้ใส่ขวดมาก็ได้เอไหนอะเอามาดูดิไอ้ซับำนวนนี้อัตามาก็พูดมาไม่รู้เท่าไหร่ฮ <laughs> ะอะไรนะ คนละเล่มคนละเล่มไงอ่าคนละเวอร์ชั่นนี่เล่มนี้ก็อีกเล่มนึ่งไงอ่าก็บอกแล้วคนละคนละเล่มนี่เล่มเก่าเล่มก่อนไม่ได้เอามามาก เ, าเล่มนี้เอามาน้อยมีใครได้บ้างใครได้บ้างเล่มนี้มีใครได้บ้างไม่มีเลยเหรออ๋อได้เล่มนี้เหรอก็ดีแล้ว ก็เล่มนี้ไม่มีก็ดีแล้วไงว่าคเล่มนั้นคุณอ่านเองดีจะยากอะไรล่ะใช่ไหมอก็อ่านเองนี้อัตว่าอ่านเล่มนี้อธิบายไปกันเนื้อเดียวกันนะแต่ว่ามันอธิบายแบบนี้ก็ดีแล้วไงนอ่าดีแล้วล่ะน่าแล้วก็ไปอ่านเล่มนี้เองน้าใครอ่านไม่เป็นก็ให้คนอื่นอ่านให้ฟังนักศึกษาเรามีอ่านไม่เป็นด้วยอ ว่าการลงทุนที่เรื่องความรักโดยเฉพาะเรื่องเมถุนนิสต์ใครเจอมากับตัวเองจริงๆแล้วจะรู้เลยว่าลงทุนหนักไม่เสด็จลมเสด็จได้เลยเท่าไร่เท่ากันนะลงทุนขนาดมหาศาลหวังผลอย่างเดียวคือสุขลิกะนี่แหละอันเป็นสุขลอยลมอยู่ฟากฟ้าไหนก็ไม่รู้ล่ะได้ไปแล้วก็เอาไปเป็นประโยชน์อะไรให้แก่โลกบ้างราว ไม่ได้อะไรไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรให้แกโลกเลยไม่ได้นะความรักแบบนี้คุณเอาไปเสพสมกันยังไงครบโลกไม่ได้อะไรจากคุณเลยสองคนคุณนั่นแหละเท่านั้นแหละสุขส ม, มารมหวังอะไรของคุณแค่นั้นนะคนอื่นไม่ได้เกี่ยวเลยคนอื่นไม่ได้อะไรเลยในโลกแต่ลงทุนไปหนักเลย ลงทุนหนักและก็เท่านั้นนะจึงเป็นความเห็นแก่ตัวที่โอโหเป็นความเรวที่สุดในโลกเพราะว่าความเรวในโลก น, นี้คือความเห็นแก่ตัวส่วนความดีคือความเสียสละเผื่อเฟื่อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันและกันเพราะเรื่องความรักเมตุนหรือเพศสัมพันธ์ของคู่มันไม่มีประโยชน์อะไรให้แก่ใครเลย ชัดเจนไหมมันมันม่จริงๆมันเพื่อที่จะรักกันเพื่อจะจะเสพสัมพันธ์สัมผัสอะไรทั้นั้นเองโคกาเรื่องเพศสัมผัสเพศสัมพันธ์กับเมทุนเนี่ยมันไม่มีอื่นเลยแล้วก็บอกว่าเออมันก็มันมันคู่กันแล้วมันจะได้ช่วยกันสร้างสรรค์สร้างอะไรนั่นเป็นเรื่องนอกจากความรักไงอันนั้นมันเรื่องของชีวิตคุณจําเป็นน่ะคุณจําเป็น แต่ถ้าคุณเกิดความรักเนี่ยมันนะเยอะเลยมากมายเดี๋ยวนี้ยงทางตะวันตกเนี่ยถ้าความรักเนี่ยมันไม่มีแล้วมันหยากรทั้งๆได้ไปช่วยกันทำงานทาหากินดีนะแล้วมันก็แบ่งทรัพย์กันไปเลยทะเลาะกันไปเลยเรื่องทรัพย์แยกกันไปนี่คือเรื่องเพศสัมพันธ์ฟังให้ชัดๆนะนี่อย่าไปจัดมารักกันแล้วมาแต่งงานกันแล้วมาคู่กันแล้วนึกว่าเราจะมาช่วยกันสร้าง มาช่วยกันทำอาหารกินมาช่วยกันเพื่อจะอะไรจ ะ, ะไรถ้าไม่มีลูกนะพวกนี้เนี่ยไม่ไม่จะครอบครัวหรอกดีไม่ดีดก็แบ่งกันคนละกระเป๋าแล้วก็ความรักจางไอะลรเลิกกันจริงถ้ายังไม่มีลูกเนี่ชัดเจนเลยน่ แต่มันมีแนวลึกเหมือนกันแนวลึกของความรักของคนสองคนเนี่ยนะแม่ไม่มีลูกแต่มันมีคุณธรรมมีคุณธรรมเรื่องนี้ก็กมีบ้างแต่ถ้าเผื่อว่ามันเป็นคนมีคุณธรรมแล้วเขาไม่ไปนหนักเรื่องนี้เขาหนักมันร่วมกันที่เพื่อสร้างคุณธรรมให้แก่สังคมไม่เพื่อลูกแต่ก็เพื่อผู้อื่น ผ, ผู้อื่ น, ผ, นผู้อื่นไป อันนี้เป็นมิติที่สูงที่อาตมาพูดถึงไว้ก่อนประเดี๋จะสับสนรบกวนกันมองว่าเอา้าพูดแต่แง่นั้นแง่นี้จงไม่ได้อยู่ในมิตินี้ความรังนั้นที่พูดถึงว่าถ้าเขาไม่มีลูกเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเพรา ะ, ะนั้นถ้ามีลูกเป็นเครื่องผูก อ, อีกอีกอันหนึ่งซึ่งในประเด็นที่สองมิติที่สองจะได้อธิบายนะมิติที่สอง เพราะงั้นในเรื่องของความรักที่เป็นเมตุนี่เป็นเบื้องต้นแห่งความเห็นแก่ตัวที่สุดในโลกนี้มีสองเราเท่านั้นอ่าแล้วก็เพื่อเราสองเราเท่านั้นแล้ก็เสพลมร่มแรง ๆ, ๆ, ๆ, ๆเท่านั้นนอกนั้นก็อยู่อย่างที่ว่าถ้าคนเรานําไม่ต้องมีเรื่องนี้นะมาช่วยกันทาอาหากินได้มไหมมันก็ได้ทั่วไปที่ไหนๆก็ได้ คนสองคนก็มาช่วยกค่สองแรงจะผู้หญิงกับผู้ชายหรือผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงก็ช่างก็สองแรงก็ช่วยสร้างสรรค์ไปสิสร้างสรรค์ประโยชน์หรือคุณจะสร้างสรร์ประโยชน์ก็แล้วแต่สร้างสรรพุ่นผลิตก็แล้วแต่จะเห็นแก่ตัวอยู่ก็ตามคุกก็ยังสร้างอะไรขึ้นมาใช่ไหมไอ้นี่มันไม่ได้สร้างอะไรนกอไหมไอ้ความนักเมตุนเป็นสตมพันธ์มันไม่ได้เพื่อมาสร้างอะไร ม, มันมีเคียงอยู่ว่าเออมือมาร่วมกันแล้วมันก็นมาท่วมกันสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างครอบครัวมันมีองค์ประกอบของการสร้างสรรค์ไงสร้างฐานะสร้างอะไรแต่อะไรมันมีองค์ประกอบแต่อัตมากาลังอธิบายหมายเ็าว่าเรื่องของความรักความรักมันไม่ใช่เรื่องปลีกย่อยในเรื่องของการเป็นอยู่ไม่ใช่เรื่องการเป็นอยู่ เรื่องความรักไอ้ความรักไออารมณ์แบบนี้เนี่ยพอะะแยกออกลึกๆแล้วจะเห็นได้ว่ามันให้แกตัวจัดจ้านที่สุดแล้วมันไม่มีค่าอะไรเลยเสพรสเสพอารมณ์เท่านั้นเองไม่มีอะไรอื่นเลยเนี่ยจะเห็นได้ความไร้สาระของสัจธรรม เพรา ง, งั้นผู้ที่มีความรักแบบนี้ไม่ศึกษาดีๆเขาจะนึกไม่ออกเลยว่าสิ่งเหล่านี้ไราสาระจริงๆถ้าจะเรียกว่าความเร็วก็ความเร็วหรือความหลงโง่ความหลงความโงส่สุดๆนะยังมีใครยังมีอยู่ก็เป็นอย่างที่ว่านอัตมาที่จักให้เห็นว่าความรักมิติที่หนึ่งเป็นความรักที่เร็วที่สุดแย่ที่สุดอคนะือความรักมิติที่หนึ่งนี่ําที่สุดละความรักมิ ต, ติต่อไปก็จะมีคุณค่าบางนะ เพราะฉนั้นคนในโลกนี้ถ้าเปิดว่าคนที่เสียสละนะเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลหรือว่ามีผลผลิตให้แก่ผู้อื่นได้ผู้นั้นคือคนมีคุณค่ามีความดีนะส่วนความเลวคือความเห็นแก่ตัวโลภโมโทสันกักตุนสะสมเอาคนเดียวไม่แจกจ่ายนั่นคือความเลวยิ่งความเลวของความรักเพศสัมพันธ์เนี่ยมันคือเสพอารมณ์เท่านั้นนะ เอ้าเออเอาเอ า, าเธอ เ, เอ า, เอ า, เอ า, เอาชั่วกระเลวคุณก็ไปเทียงกันเองน่ะ <f ave> <master S 1> เทียงชั่วกระเ็วกันเองเพราะฉะนั้นผูดด้ใดจะโลภเอาความรักมาเป็นของฉันคนเดียวนั่นน่ะแล้วก็ลงทุนทุกอย่างจับจ่ายไปหมดเลยเพื่อที่จะได้ความรักมาครอบครองคนเดียวไม่แบ่งให้ใครสร้างความเลวให้แก่ตัวเองแล้วก็ไร้ค่าขาดทุนที่สุดด้วย เพื่อจะเสพลมลมแรงๆไม่ได้อะไรขึ้นมานะฟังดูดีๆนะอย่าเพิ่งไปเชื่ออาตมาเส่ทีเดียวเพราะฟังดูแลนี่คิดตามนี่เป็นความรักขั้นที่หนึ่งอยู่ในมิติที่หนึ่งเป็นความรักที่ไร้ค่าที่สุดเลวที่สุดนะพวกคุณอาจจะไม่เชื่ อ, อยิ่งคนที่มีความรักอยู่ในใจขนาดนี้เลยอย่ามากล่าวจะให้ยากเลยยาเลยจ้างฉันก็นไม่เชื่อหรอกอาตมารู้ คุณจะไม่เชื่อนะร้อยไม่เชื่อพันไม่เชื่อจริงๆอันทุกวันนี้ในความเลวที่สุดสาหรับความรักระหว่างเพศนี่ก็คือว่ามันเทนแกตตัวที่สุ ด, ทสดเทนแกตตัวที่สุดจริงๆไม่มีที่อื่นไม่มีอื่นเลยนะจะได้สมใจระวางสองคนนั่นแหละจะปั้นอารมณ์ขึ้นมาเรียกว่าสุขแล้วก็ร่วมอารมณ์อันเดียวท่า น, นั้นน่ะไม่มีอื่นเลยพยายามทุกวิธีทางวิีให้ไดมาซึ่งสิ่งนี้ ใครจะแย่งไม่ได้ที่จริงมันก็แย่งใครไม่ได้อยู่แล้วความใครเขามันมันโง่ใครโง่มันามาอันนี้มันของความโง่ส่วนตัวจริงๆมันไปแย่งไม่ได้หรอกอารมณ์อ้เสไปอารมณ์หลงอันนี้ไม่มีใครแย่งใครหรอกมันเสกจากสัมผัสสองคนเนี่แหละกูจะสัมผัสนอกสัมผัสในกันยังไงก็ช่างคุณะอะอ่มันเป็นเรื่องที่โอ้โหสุดๆเลยนะอารมณ์ร่วมอันเดียวไม่มีอื่นพยายามทุกวิธีทางก็จะได้มาส่งสีทจะใครจะแย่งไม่ได้ ถ้าใครหึงจัดๆหน่อยใครมาแบ่งเอานิดนึงก็เอาแล้วบางทีก็ขากันแกงกันเห็นแกตัวเลวที่สุดนะอ้าวก็ขอบอกยืนยันสูตรสำหรับวัดคุณค่าของมนุษย์ไว้อีกสักนิดก่อนว่ามนุษย์นะมนุษย์สุดประเสริฐที่สุดและดีที่สุดนั้นวัด กันด้วยการไม่เห็นแก่ตัว life, ก, กับความเห็นแก่ตัวนวัดกันอยู่เนี้ยความไม่เห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวถ้าผู้ใดเห็นแก่ตัวผู้นั้นเลวที่สุดผู้ใดละความเห็นแก่ตัวได้หมดใช้ปัญญาถอนความเห็นแก่ตัวจนกระทั่งหมดตัวหมดตนได้สุดได้สิ้นหมดเด็ดขาดเท่าใดผู้นั้นและประเสริฐสุด ผูที่เสียสละมากที่สุดได้เท่าใดไม่เห็นแก่ตัวมากเท่าใดก็ยิ่งสูงขึ้นมากเท่านั้นก็ไม่ได้เป็นของยากอะไรในะที่บอกไปเนี่ยรู้กันอยู่ทุกคนนะแต่ว่าต้องทํำการเข้าใจว่าเ อ, อการเสียสละาการให้แก่ผู้อื่นได้เนี่ยมันคืออะไรเราทํำไหมทั้งข้างนอกกายกรรมวจีกรรมทั้งข้างในโดยเฉพาะใจข้างในเราเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราทําได้และเป็นได้นั่นแประเสริตสุด ก็ฟังมาหูแฉเนาะอย่างนี้เนาะแต่ต้องศึกษาและฝึกให้เป็นจริงๆแล้วมันประเสริฐพวกเรานี่ล้วว่ากันเป็นจริงๆแล้วเจ้าโศเรานี่มันมีมีมคุณธรรมพวกนี้ขึ้นมาจริงๆถ้าไม่เช่นนั้นเราเป็นไปไม่ได้อย่างนี้จริงๆที่เราเป็นได้เนี่ยเพราะมันเป็นสัจจะมันเป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นมามันถูกลอหลอมจากสูตรจากความรู้จักได้ฝศึกษาศึกษาฝึกฝนมาจริงๆมันก็เลยมีแล้วเรามุ่งหมายแล้วเราก็พยายาม ศึกษาฝึกฝนเรื่องนี้มากจนมาลดกิเลสราคะอันนี้ต้องเรียกราคะาไม่เรียกโลพะโลภะก็เป็นด้วยจําได้ไหมว่าราคะกับโลภะมีนัยสําคัญต่างกันอย่างไรโลภะเอามาเป็นของตนราคะเสพรสเรื่องกามเรื่องราคะเรื่องเพศที่พูดถึงเมถุนตเนี่ยเรื่องความรักที่ว่านี่เป็นความรักอย่างนี้ทั้งนั้นอ่า มันเสพรสนะเพราะฉะนั้นความรักระหว่างเพศจึงเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวแคบที่สุดระหว่างบุคคลไป็สองคนเป็นเพียงกามมนิยมหรือทารกรกริยานิยมอ๋อแต่ก่อนที่ตั้งชื่อนี้ด้วยเนาะหรือทารกกริยานิยมทารกนี่แหละแต่มันไม่มันมันรวมกับคำวิกิริยานิยม การมินยมคือต้องการอ า, ารมณ์ร่วมเพียงอย่างเดียวที่เรียกว่าสุขลิกะเท่านั้นและเท่านั้นไม่จ่ายแจกไปให้ใครอื่นเลยไม่มีใครที่จะได้รับสิ่งสัมผัสอันดีงามจากบุคคลสองคนนี้เลย <c oughs> ไม่เลยนะนะเห็นแก่ตัวที่สุดแต่ตรงกันข้ามกับโลกจะได้รับสิ่งที่สัมผัสสัมผัสอันเลวทรามจากบุคคลสอง บุคคลทั้งสองนี่ซ้ํำกันไปอีกคือได้รับกามนั่นเองเป็นค่าและจะพากันนิยมหรือจะพากันกนําหนดกําหนดเพื่อกาหนัดพากันไปกําหนดตามเห็นเขาโอ้โหน่าชื่นใจหน่าเศรษิจยานาได้อย่างเขาเขาอัตมายกตัวอย่างให้เห็นอีกอันหนึ่งอย่างตัวอย่างเขาแสดงอาการ โอ้โห و, มันอร่อยมันดีใจมันตื่นเต้นมันก็ดูดก็ดีก็ด้านในการดูเกมกีฬาก็ดีดูการแสดงต่างๆก็ดีนะการแสดงทางบันเทิงต่างๆก็ดีหรือกีฬาก็ดีมันคลอองงำรูปร่างลักษณะของไอคนนี้บอกโอ้โหไอคนนี้มันดีอกดีใจขนาดนี้อย่างนี้ทำไมเราไม่มีท่าเข้านะ ทำไมเราไม่ชอบเาขานะทน่องไม่เราไม่ชอบเขานะมันยั่วยุอย่างนี้ตลอดเวลาพอมันก็ยิ่งแสดงจัดจ้านยิ่งแสดงความเข้มขน้นบาบาบอสหนักกว่าอีกเนี่ยทุกวันทุกวันเป็นแบบนี้เลยทั่วโลกเลยเนี่ยอวิชาเรื่องนี้แล้วมันก็นึกว่ามันเยี่ยมนะมันได้แสดงเยี่ยมแสดงคนยิ่งเห็นด้วยยิ่งเอาตามเขาเท่าไหร่ยิ่งผูกพันยิ่งชอบยิ่งยกให้เท่าไหร่มันยิ่ง โอ้โห oh, ไอคนแสดงนั่นก็ภาคภูมิใจมากที่ข้าทําให้คนอื่นเขาโง่ตามไม้เขาติดยึดมากมันอยากจะได้รถนี่อยากก็เป็นอย่างนี้อยากจะได้อย่างนี้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไอคนที่ตามเขาได้ก็โอ้โ oh, หนี่ยมชมชื่นแล้วก็ไปแสดงออกอีกทีนึงตัวเองได้ตัวเองอะไรอย่างนี้ไปแสดงออกเพื่อที่ยังคนเขซ้อนซอนซ้อนซอ น, ซอ น, ซอนมานิยมชมชื่นตัวเองที่มีอีก แทนที่จะอายกับยิ่งจะโชว์พอทำได้พอๆกับเข้าหรือว่าเก่งกับเข้าอีกโชว์ใหญ่เลยแทนี่โยโชโชโชเห็นมาความซ้อนความซ้อนของความโงงเพราะฉะนั้นโลกจึงเต็มไปด้วยความหลงแบบเนี้ที่เป็นอวิชามันยิ่งมา ก, มา ก, ม, า ก, ม, ากมากเข้าไปในซับซ้อนอย่ในสังคม พวกเราหลุดออกมาได้แล้วเนี่ยไม่ต้องไปเปลืองไปพรานไม่ต้องเสียเวลาไ ม, Lan, ไม่ต้องเสียงแรงงานไม่ต้องเสียทุนร้อนไม่ต้องเสียเลยเอามาสร้างสรรามาทําช่วยกันแม้พวกเรามีไม่มากมันก็เลี้ยงกันรอดแต่พอโน้นมีมากเท่าไหร่มันก็เลี้ยงกันไม่พอเพราะมันมีมากเข้ามันก็ไปปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้เข้าไปยิ่งยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นต่างคนต่างก็ช่วยกันผลาน แล้วก็ช่วยกันสร้างความหลอกมาให้มันผ่านหนักเข้าไปอีกนี่คือความฉิบหายของโลกเห็นความฉิบหายของโลกอันยิ่งใหญ่ไหมเนี่ยเสพรถอัศทะเสพรถโลกีอัศทะนี่แหละอย่างเงี้ยฟังให้ชัดเทนให้ดีอ่า เพาะความรักเรื่องกามนิยมนี่เป็นเรื่องความรักที่ค่าน้อยที่สุดหรือค่าต่ําที่สุดไร้ค่าที่สุดศูญเสียรสิ้นเปลืองมากที่สุดนอกจากจะเสียเวลาทุนรอนรางการายงานในสมองตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นยังไม่พออาตมาจะขอวิเคราะห์ให้ฟังอย่างลึกซึ้งอีกสักหน่อยตอนนี้จงพยายามตัดความคิดเก่าๆถ้าคุณเคยยึดถือว่า พระไม่น่าพูดอย่างนี้นิเทศตั้งแต่พศ17นะก็ขอให้ยายยึดถืออันนี้ไว้ลองฟังศัจธรรมซึ่งเป็นธรรมดาธรรมชาติเป็นของจริงที่พคุณประสบอยู่นําไปใช้กับชีวิตประจําวันได้ไม่ใช่พูดธรรมมาแล้วก็คุณก็เอาไปใช้กับชีวิตไม่ได้ฟังแล้วลอยลมอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อันนี้คุณฟังแล้วคุณจะเอาไป แก้ไขเอาไปแก้ไขกับชีวิตเอาเป็นละนายคลายหรือว่าเลิกในสิ่งที่คุณควรเลิกทําในสิ่งที่คุณควรทําได้เอาเราฟังดูนอกจากจ่ายสิ่งที่ว่านั่นไปแล้วนะที่พูดไปคร่าวๆแล้วเมื่อรักสมใจได้แต่งงานกันแล้วก็ยังจ่ายอีกนั่นแหละขาดทุนอีกนั่นแหละตอนนี้จ่ายพลังงานไปบานเลย สปาคทีหนึ่งชาติทีหนึ่งหมดพลังตั้งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันแคลอรี่คิดดูให้ดีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายพอถึงใครแม็กซ์ทีจ่ายไม่รู้เท่าไรคาดทุนน่ะไม่ใช่กำไรอุตสาห์ทำงานทำการซื้อข้าวซื้อโปรโตีนคาโโฮฮร์โบไฮเดรตวิตามินบีซี C, ที่อะไรใส่เข้าไป กรรองว่าอย่างดีจ่ายชาติหมดไปแล้วเยอะแยะสด้วยอุตส่าห์กินมาแทบแย่จ่ายเข้าไปบานตะไทยเลยจึงเรียกว่าขาดทุนไปเปล่าๆแล้วไม่ได้อะไรเลยจ ะ, จะได้เมื่อนั้นคือได้รถสัมผัสเสศษสีซาบส่านถูกอกถูกใจแล้วก็ไปหลงว่ามันเป็นความสุขที่จริงจังนั่นแหละเป็นกิเลสความสุขนั้นคือกิเลส อันเป็นความโง่หรืออวิชชาของคนที่เป็นหลงมันเข้าที่จริงมันไม่มีอะไรมนันเป็นความสัมผัสเสียดสีที่ต้องเกิดปฏิกิริยาแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลไปสุดท้ายก็เกิดการจ่ายหรือการหมดเท่านั้นเองท่านเรียกว่าการการมารมณ์หรือว่าการมาคุณที่มีอารมณ์ในจิตเป็นสมบัติะบวนการสุดท้าย หรือว่าถ้าจิตขอมันน่ยมันจะเป็นการแสดงตัวมันเองว่ามันมีอาการชอบก็ดีหรือว่าอาการชังก็ดีตามที่มันเกิดจริงเป็นจริงก็จะกลายเป็นการสั่งสมสั่งสมชอบกับสั่งสมชังเรียกว่าอุปทานแต่จิตติดใจก็ชอบไม่ติดใจก็ชังนั่นแหละเข ก, ก็สั่งสมอุปทานใส่กับประยุกยี้ตลอดตลอดตลอดตลอดเลย คนทุกคนเคยผ่านอย่างเงี้ยน้อยมากก็แล้วแต่เห็นไหมอวิชชาอาวิชชาเันความโง่โง่มันไม่รู้จริงๆเลยมันอจริงๆแล้วคนเราไม่จะเป็นต้องมีสิ่งนี้ก็ได้นะไม่ต้องมีสิ่งนี้อย่างพระพุทธเจ้าพาทมเนี่ยไม่ต้องมี หรือแม้ว่าจะไม่ใช่พระูปเจ้า ก, ก็ตามนะคนที่ไม่เคยผ่านสิ่งนี้เลยก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรก็ไม่เห็นตายไม่เดือดร้อนจงเอาพลังงานมาลงทุนในสิ่งที่ควรลงทุนเถิดนะซ้ำอยากจะทําประโยชน์ให้กับโลกในเต็มที่เพราะว่าปลอดจากพันธะในเรื่อ ง, องครอบครัวหรือแม้จะเป็นเพียงกิจกรรมชั่วครั้งชั่วคราวก็อย่าไปลงทุนเลยนะมันก็ยังคือการขาดทุน เพราะถูกหลอกมานานแสนนานอยู่นั่นเองต้องรู้สักจะทำให้ได้ต้องมีอภิปัญญาเกิดขึ้นบ้างจึงจะได้ชื่อว่ามนุษย์อริยะหรืออาระยะอริยะอะไรก็แล้วแต่เเขาเรียกกันมาฉะนั้นจงอย่าได้หลงยึดว่าเรื่องนี้ เ, นเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเป็นเรื่องที่จะต้องไขค ว, าขวา้าแสวงหาเอามาให้ได้เป็นอันขาด ถ้าเป็นหลงทำก้าแล้วจะต้องจับจ่ายมากอย่างที่ว่านี่แลวจะขาดทุนอย่างนี้และยังไม่จบยังจะขาดทุนอยู่อีกสำหรับผู้ที่ถูกหลอกแล้วแลวหลงเชื่อหนักกว่านี้ก็คือสุดท้ายก็จะมีลูกมีเรื่องที่จะต้องจับจ่ายเพื่อลูกอีกเท่าไหร่ก็ลองคิดดูก็จะเลี้ยงโตก็จะส่งเสียงให้เราเรียงก็จะสาเร็จอาตมาในได้สถิติใหม่มาใหม่ เขาว่ามีลูกหนึ่งคนจนไปยี่สบสอปีมีลูกหนึ่งคนจนไปยีบสอปีสถิติเขาว่ากันนะก็ไม่รู้ว่าใครตั้งสถิติเอาไว้นะ่ะพอได้ลูกมาอีกทีหนึ่งขาดทุนไปอีกเท่าไหร่ก็จะฉับจ่ายใจสอยจนพ้นความเป็นทาสลูกคนนี้ฮะฮะมาอะไรปีห้ารฮะ อ๋อต้องเราจบปีห้าขอางมาหาวิทยาลัยยิบสองปี อ, อแล้วได้เงินคืนอ๋อเขาเอาสูตรตรงนี้ อ, อ่ะเดี๋ยวนี้มีโฆษณ า, ม า, ม, า, ม, ามาบอกว่าลูกมากจะยากจนมีลูกถี่ยิ่งหนีหลายเขาโฆษณากันแล้วก็จริงแต่เขาเพิ่งมารู้กัน จริงยิ่งก็ น, นี้ก็คือผู้ที่เป็นเพียงาธาตุเมถุนนิยมเนี่ยหรือกามนิยมเนี่ยมันเป็นาธาตุจนงงหัวไม่ขึ้นนั่นแหละจะยากจนยิ่งกว่ายากจนยิ่งกว่าถ้าไปเป็นาธาตุสิ่งเหล่านี้นะไปาธาตุสิ่งเมถุนหรือไปาธาตุดังกามเนี่ยจนยิ่งกว่ามีลูก ก็ไม่เห็นเลยมันจ่ายกันมันพางพังกันถ้ามันมีตังมันเอาโอ้โหมันทำดีไม่ดีนี่นะมันยอมเอาชีวิตเสี่ยงจะ่าพวกไปปล้ำข่มคืนฆ่าพวกนี้คิดดูสิกามใช่ไหมมันเสี่ยงก่อนมันจะฆ่ามันก่อนมันจะข่มคืนมันก็รู้แล้วใช่ไหมว่าข่มคืนนี่มันชั่วนะมันไม่ดีหรอกแต่มันทา ฆ่าแล้วกลัวเขาจะจับได้กลัวจะอะไรดิว่าไม่ใช่ข่มคืนแล้วกลัวจะจับได้กลัวฆ่าต่อและชั่วเสริมซ้อนกับอีกซ้อนกับอีกมันโอ้เห็นแล้วเนี่ยถ้าอารมณ์นี้มันมากอารมณ์มันถึงขั้นยับยั้งม่อยู่ขนาดนั้นนะเห็นหมามันสวยสวยมันเป็นเรื่องที่อย่าไปเพิ่มเลยลดลดลดละล ะ, ละจงัจงๆใครๆจนไม่มีดีกว่า แต้ทางโลกเขาก็บอกว่าโอ้โหทำไมหมดกาไม่ตายเกิดมาเป็นคนอยู่เป็นคนทําไมวะไปอีกโอเวนอ่ะก็ถูกสิก็เราพูดอะแต่คนโลกเขาไม่พูดอย่างเงี้ยถ้าไม่มีแล้วเขาก็บอกตายตายตายนียย่อยู่ชีวิตไปตายหมดเลยเดอยู่ไปทําไมวะนั่นตหลกนะไม่ยอมนะ หมอารมณ์กาลไม่ยอมเห็นไหมว่ทว น, นกระแสกันกับความเห็นความเข้าใจของพระพุทธเจ้าคนละขั้วเลยไม่จะ ต, ต่างประเทศอาตมาเคยเจอกันว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรให้เรื่องนี้ให้เลิกกันทําไมเรื่องกาลมันเป็นธรรมชาติถ้าเป็นเรื่องนี่หมดได้สอนให้คนเลิกหมดสูงพันหมดที่โลกอะ่ะออันนี้อาตมา ก, ก็พูดไม่รู้กี่ครั้งซ้ำสอนเรื่องนี้ เขาเข้าใจไม่ได้จริงๆเขาเข้าใจไม่ได้แต่ผู้ที่มีภูมิปัญญาเขาเข้าใจอย่างพระพุทธเจ้านี่เข้าใจสุดยอดแม้ศาสนาหลายศาสนาศาสนาฮินดูก็ตามศาสนาคริสต์ก็ตามเขาก็ยังเข้าใจเขาก็ยังพูดเรื่องนี้ก็รู้เรื่องแล้วก็เลิกได้เขาก็ดีนะเลิกเขาก็ดีเขาก็ถือว่าดีแต่หลายศาสนาไม่ แม้แต่คลิทเองเนี่ยคีถามัตมาเนี่คือฝรั่งชาวคลิทเพราะว่าเขาไม่ได้ชัดเหมือนกับของพุทธนะเขาไม่ชัดเหมือนของพุทธนะเขาไม่ได้เน้นไม่ได้อธิบายมากมายเหมือนพุทธนะแต่ลึกๆเขารู้กันที่ไม่มีไม่นักบุญนักบุญอะไรของเขาไาก็ไม่เขาปฏิบัติธรรมเาก็ไม่นะชาวคิทก็ตาเรีอชืกชาวฮินดูก็เหมือนกันเขาก็ไม่ทางชาวพุทธนี่ ชัดเจนนะตา่างกันกับอันอื่นเขาแล้ก็พิสูจน์ได้ยืนยันได้ด้วยนะเฮ้ย19นาิกา26นาทีแล้วอะทำไมมันไหวไหวไหวแต่เราเริ่มต้นสายนะวันเนี้ยอ้าวอาตมาไม่ได้ว่านะเรื่องจริงอะนะเด็กๆ ก, ก็มาช้า ผู้ใหญ่ก็พลอยช้าเหมือนกันไงกว่าจะมาพอสมควรนะเอาอะไรนี่มันจะทุ่มครึ่งแล้วเหือเวลายังไม่กินเท่าไหร่อ่าเหือเวลายังไม่ถึงชั่วโมง19บเก้นาฬาีสิบหรับของอาตมาาอ้าวตกลงก็ให้ถาม เด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้จะถามหรือจะวิจารณ์หรือว่าจะสรุปเ่ออย่างที่เราเคยพูดกันไปก่อนแล้วทงท้ายก็ให้สมณาสิกขามาสรุปอ้าวใครก่อนยกมืออ้าวเอาเลยตอนนี้ชักขึ้นเห็นเงียบมาหลายวันอ้าวอ้าว ขอโอกาสครับอขอกราบท่านติรักษ์แล้วก็นมัส ก, กา ร, รสมนาศิกรมาตแล้วก็ใจเดินธรรมครับญาติธรรมทุกคนครับกระผมยี่ห้องามดีมากมคุณสบายมากมนมาเชมาเช็งงามดีมากเลย งามงามดีมากครับอบางทีว่าอะไรงอ่งงามงามงามครับไม่ใช่วอกงามหอกงามไม่ได้ใส่ <laughs> เอาเอาเอ า, เอาตอ่ตอตอ่อต่อครับครับ <laughs> คือคือเรื่องนี้นะ่ะมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากหนังหนังสือพ่อท่านครับหนังสือเล่มนี้นะ่ะหนังสือเปลี่ยนชีวิตผมทําไมผมต้องพูดก่อนเพื่อนนะ่ะเพราะว่า ผมผมเนี่ยนะตัดสินใจเพรา ะ, ราะได้เล่มนี้นะคือผมนีนะ่เป็นคนที่สนใจธรรมะแล้วหนังสือธรรมะอยู่ที่ไหนก็ผมชอบไปอ่านเพราะผมคือครั้งแรกนี่นะคือผมไปอ่านบทครามความในธรรม ะ, รรมะตอนอายุสิบเก้าปีนะผมตอนนั้นก็บอกว่าบุตรโตฮีเวลูกผูกคอ ทานังปาเททรับสมบัติผูกขาภรรยาหัดเทภรรยาผูกมือแล้วก็แถมไทยบอกว่าสามห่วงนี้ใครพ้นได้คนนั้นพ้นทุกผมก็อยากพ้นทุกนะผมก็คิดตามทันทีเลยถ้าจริงนะผมเอาด้วยผมก็คิดแต่ละข้อแต่ละข้อมาเนี่ยบุตรโตทีเวเนี่ผมเห็นชัดว่าคนมีลูกนี่มีความทุกข์เพราะพ่อแม่เราก็มีลูกแล้วก็สอง ทานางปาเทเนี่ยคือมีลาบเนี่ยก็มีความทุกข์ผูกขาเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่สนใจเรื่องลาบแต่ไม่สนใจเรื่องศิลนเมื่อก่อนเนี่ผมคิดของผมเองนะตอนอายุสิบสี่ผมว่าผมจะหาลาบไปได้มากที่สุดแล้วผมคือผมทำทุกอย่างฮะฆ่าสัตว์ผมก็เอาลักทรัพย์ก็เอาเพื่อได้ลาบมากที่สุด <laughs> นี่คือผม แต่ผมนี่เป็นคนที่พูดจริงทําจริงอะ่ะสิ่งที่ผมเห็นแล้วนะถ้าผมทําไม่ได้ผมยอมตายผมคนอย่างผมเป็นอย่างนั้นผมทําได้มาสีป่ปีจนผมเห็นทุกไงโอ้ทุกเรื่องราบนี่ผมหมดสงสัยผมเนี่ยทั้งเร็เวเร็วผมเป็นคนไม่ชั่วนะแต่เป็นคนเร็วเร็วเพราะลาบผมก็เลยบอกมันหนักก็ไม่หนักก็ชั่วเนาะเพราะว่าตัวโลคตัวโลคทำให้เร็วครับแล้วก็ภรรยาหัดเห ไอตัวนี้นะ่ะผมไม่ค่อยมีความเพราะว่าตอนนั้นนะ่ะผมอายุสิบเก้าเรื่องพวกนี้ผมมีน้อยเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ไม่ใกล้ชิดกับผู้หญิงและเป็นคนที่ไม่สนใจผู้หญิงเพราะว่าเพื่อนผมพี่น้องผมนี่ส่วนใหญ่กับผู้ชายทังนั้นไอเรื่องนี้ผมก็ยังไม่เห็นทุกเท่าไหร่แต่ผมเห็นทุกสองข้อไอเรื่องลูกกับเรื่องราบเพรมันเป็นความโลภทั้งคู่อันนั้นผมเห็นแล้วทีนี้พอผมมาอ่านความรักสิมิติีครับของพ่อท่านนะ่ะ พ่อท่านขยายมากเลยนะเรื่องไอความชั่วเนี่เรื่องราคาเนี่ผมมาอ่านต่อเลยผมเนี่ยเพราะหนังสือเล่มนี้นะครับทำให้ผมไปเที่ยวผู้หญิง <c oughs> ตอนอายุสิา <c oughs> พ่อท่านบอกว่าเออไอรถราคานี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยผมก็ต้องไปพิสูจน์เ <c oughs> พราะคนอย่างผมเนี่ยถ้าไม่เจอของจริงแล้วไม่เชื่อ <c oughs> ผมก็เอาสติปัญญาที่ผมมีเนี่ยนะไปหาความจริง <c oughs> จนสําเร็จกิดน่ยนะแต่หาความสุขไม่ได้ก็เลยซาโตริไงบอกว่าโอ้มันหลอกกันจริงๆเลยนะว่าเป็นสุขบุญนั้นเนี่ยครับต่อไปนี่นะแทนที่จะติดใจนะโอ้โหบุญนะครับผมผมว่าผมก็รู้เยอะนะตัองได้ดีครับทีนี้เป็นเรื่องเรื่องเรื่องที่เรื่องเปลี่ยนแปลงขั้งกุดท้ายคือเพื่อนผมไงผมลงมาจากโรงแรียนปุ๊บหนึ่งผมเรียนอยู่เทคนิคนครศรีธรรมราชปวช เพื่อนผมมันเห็นผมนัดแรมพอดีทีนี้มันก็มาล้อผมในห้องเรียนอต่ตอนนั้นน่ะผมสาโตรี่หมดแล้วนะเรื่องใดผมหายสงสัยหมดแล้วผมเลยบรนลือสีอำนาจไงประกาศตรงนั้นเลยว่าคนอย่างกูเนี่นะจะเป็นสูตแตลอดชีวิตเพราะว่าคิดได้แล้วเรื่องคู่เนี่ยนะผมหายสงสัยแล้วแล้วคนอย่างกูเนี่ยจะไม่สมสู่กับผู้หญิงตลอดชีวิตพูดคำนั้นนะ่ะตั้งแต่อายุสิบเก้าะ ผมว่าโอ้โหเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากนะเรื่องนี้เรื่องใหญ่ความรักสิมิตีเนี่ยทาให้ผมกล้าพูดทุกวันนี้อ่ผมก็ยังยิ่งมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับอผมว่าเรื่องนี้แหละช่วยคนพนทุกได้จริงสิ่งที่ผมพูดนี่นะไม่เชื่อทําดูเดี๋ยวผมเชื่อมั่นละอขอ<ส>ขอรบกวนเวลาแค่นี้นะดีมากดีมากครับเสริมหนุนน้ําหนักนะเสริมหนุนน้ําหนักดีดีมากใครเจ้าต่อนะใครมา ย, มยกมือเลย นะคนที่สองไม่มีเลยนะเอ๊ทาไมเรื่องนี้มันขะอยากพูดกันเท่าไหร่อ้าวอ้าว อ, าอา้แม่ห้าจะยกมือตั้งนานแล้วแล้วไมโครโฟนจะได้ไปถึงมืออ้าวอ้นะยกที่ยกก่อนยังไม่รู้เป็นใครงไงอ่าข้างหลังใครอีกยกไวใครจะยกยกก่อนแล้วก็ไมโครโฟนจะได้เดินทางไปถึงเวลามันจะได้สั้นเข้า น่าทำไมไม่่อยเข้าใจยกมือไว้แล้วเขาก็ไมโครโฟนไปถึงมือค่อยเอามือลงเส้นเวลาเอาเลยเปนมาสการค่ะพ่อท่านฟังพ่อท่านแล้วสรุปได้สองเพลงนะคะสองเพลงค่ ะ, อะตอนเป็นแฟนกันนะคะออผู้หญิงก็จะร้องว่า โอ้ใช้เพลงอธิบายความเลยไม่รักพี่แล้วนี่น้องจะรักใครไม่ว่าพี่จะอยู่ห้นใดติดตามไปไม่คลาดคลาฝ่ายชายก็จะร้องว่าอันนี้เพลงคู่นะคะเห็นนกน้องบอกว่าไม้ พี่กอว่าให้ไปตามวาจาเห็นปูน้องบอกว่าปลาพี่กอว่าปลาดังตาดวงใจแม่นมีไดปรารถนาจะส่อจะหาให้พลันทันใด อ, อ่ะถูกต้องโอ้ยรู้ทันไม่อยากให้่อยากเลยคนรู้ทันนะคะพอสามสิบปีต่อมานะคะอันนี้เพลงคู่ก็จะร้องว่า เห็นปูน้องบอกว่าปลาผู้ชายก็จะบอกว่าอีนี่มึงบ้าหรือไงวะจบค่ะว่าเอออาดีเออหินเข็มมาไหมเนี่ยฮะ อ้าใครอีกเมื่อกี้เห็นมีใครยกมืออีกเอน้อยคนไม่อยากจะพูดนะเรื่องนี้มันเข้าตัวยังไงพูดถ้ามันเข้าตัวหนักไม่ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยอยากจะพูดกันเอาอีกเหรอโอ้โหมันมีโอ้โหอัพเจอช็อกเอาอ่าขอให้คุณงามดีมากงามดีง่ายงามดีมากสาวสาวกาศพลันอ้าวอัพเจอช็อก กับเขาการค่ะเขาให้คุณงามดีง่ายรอคิวสักนิดนะคะเอาเลยเอาเลยพอท่านบอกว่าเรื่องนี้คนไม่ค่อยพูดก็จริงจริงอะค่ะเพราะว่าดูเป็นการสอนครั้งที่สองซึ่งครั้งแรกก็ดูเหมือนคนไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือสักเท่าไหร่นะคะดิฉันจะพูดในฐานะที่อายุยาวจะถึง6 1ปีแล้วนะคะแล้วก็ยังรักษาความเป็นดังสาวอยู่จนทุกวันนี้นะ ก็มีความรู้สึกในเวลานี้ค่ะว่าพอได้มาอ่านไม่เคยอ่านความรักศิมิติของพ่อท่านมาก่อนเลยนะคะอแ oh. ม้เป็นว่าพ่อท่านจะเทศ oh. น์ตอนนี้หนังสือเล่มนี้เกิดที่เชียงใหม่นะเนี่ยใช่ค่ะนี่เป็นชนเชียงใหม่ oh. โ อ, อ้โหนี่เกิดเชียงใหม่เนี่ยหนังสือเล่มนี้คลอดที่เชียงใหม่แต่ก็ไม่เคยอ่านค่ะ oh. ชีวิตก็ผ่านมาด้วยความแคล้วคลาดอย่างที่ไม่ต้องได้ต่อสู้อะไรนะคะในเส้นทางที่ต้องมาอยู่ในความรักมิติที่หนึ่งนี่นะคะ แต่ในเวลานี้ยอมรับเลยนะคะว่าเจอโจทย์เล็กๆค่ะเจอโจทย์เล็กๆเมื่ออายูประมาณเนี้ยนะคะแต่ก็ได้มาทบทวนดูแล้วโอ้โหมาเจอโจทย์ตอนอายุยาวขนาดนี้ถ้าผิดพลาดพลั้งไปนี่เสียหมดเลยนะคะจริงจริงจริงๆ <c oughs> จๆิงเสียหมดเลยจริงๆค่ะเสียอฟอร์มหมดเลยนะคะแค่คสามันสานึกยังชัดๆอยู่แล้วเ <c oughs> <c oughs> สียศักดิ์ศ ร, รีจริงๆเลยนะคะค่ะ แด้ทำให้เกิดสภาวะที่ตระหนักได้ว่ามิตินี้คือช่วงนี้ท่านต้องมีความจำเป็นต้องกลับไปอยู่กับครอบครัวนะคะทีม่มีปัญหาครอบครัวที่บ้านที่ต้องไปร่วมแก้ไขก็ได้เห็นเห็นชีวิตข้างนอกนะคะที่มันเป็นโลกีร้ลนล้วนซึ่งต่างอย่างสิ้นเชิงกับกับที่ตรงนี้นะคะ่ะในรอบนี้ได้ดูทีวีหนังน้ำเน่าทั้งหลายนะคะเท่าที่เปิดเปิดดูซึ่งก็ดูไม่ไม่ได้ไม่แต่ช่องเดียวนะคะ มันก็อยู่ในมิตินี้ทั้งหมดเลยค่ะอืแล้วก็เลยเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่จะว่าคนที่จะพ้นมิตินี้นะคะเพราะท่านนี้มปนความรู้สึกว่ามันเหมือนกับเขาโคค่ะในขณะที่คนทั้งโลกโดยเฉพาะสังคมตะวันตกซึ่งแพร่วัฒนธรรมที่เลวร้ายจนถึงมาถึงเยาวชนแม้ะนั้นยังลูกหลามในชุมชนบุญนิยมของเราได้ซ้ําไปนะคะ ม, มิตินี้ค่ะซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกนะคะและนับวันดูเหมือนจะมากขึ้นนะคะ ที่เด็กก็จะพัฒนาที่จะไปเกี่ยวข้องกับปัญหาตรงนี้มากขึ้นในส่วนตัวของนันเามีความคิดว่าถ้าเป้าหมายของอชาวโสก ข, ของเรานะ ค, ะคือเูอเพื่อมวลมนุษยชาติเพื่อนำไปสู่พหุชนาหิตายะพหุชนธาสุขายะโลกรรมดุกัปปายะถ้ายังมาหมกบุญอยู่แต่มิ ต, ติข้อนี้นะไม่ไปถึงไหนจริงๆเลยอ้าวพวกเรานี่นะะจริงๆเลย อ, อันนี้จริงๆคะ่ะก็ขอสนับสนุนสรุป ชัดๆเพียงแค่นี้ครับว่าตัวเองก็ชัดเจนค่ะพ่อท่านค่ะอาตมาขอเสริมตรงนี้เลยนะว่า อ, อย่างคุณใบฟ้าพูดเนี่ยมันมันเข้าเป้าอย่างชัดเจนเลยแม้ว่าชาวโซร์เราจะอนุโลมให้มีให้ทูซิน่าะจะมีกูโพตเมียได้คดตอมก็รู้กันอยู่ในในนะ รู้กันอยู่รึกๆ ก, กันทุกคนแล้วว่าไม่ได้ส่งเสริมแต่รู้ว่าวิสัยที่เป็นวิสัยอันอาลักษ์จนวนเรื่องนี้ก็ว่าไปเท่านั้นเองอถ้าเผื่อว่ามันสุดวิสัยก็จนนํานวนจะมีก็มีพระพุทธเจ้าท่านได้ตั้งไว้ในเป็นเรื่องของมนุษย์โลกสัตว์โลกสุดวิสัยท่านก็ได้พอดีมีเดียวอ ย, นะอย่าไปในฝึกฝนอย่าไปหนอกใจอย่าไปให้อะไรอะไรกันเนืออะไอย่างเป็นต้นถ้าเผื่อว่าไม่ มีซะได้เลยมันก็ดีเพราะงั้นเราจะเห็นได้ว่าความรู้สึกหรือว่าความเข้าใจจะเรียกว่าอะไรมันเป็นปฏิภานปัญญาของสังคมอย่างสังคมองรวมอย่างชาวโซนนี้รู้กันทั้งนั้นมาลึกๆึกรู้ ก, กันทั้งนั้นเด็กก็เข้าใจยังผู้ใหญ่ก็เข้าใจนะว่าเราอนุโลมให้ศีลห้านะไม่ใช่ว่าจะส่งเสริม อารมไม่ซีน่าไม่ใช่จะส่งเสริมรู้กันใช่มไหมวันแต่เผื่อว่าได้อย่างที่ใบฟ้าว่านี่ยไม่มีเรื่องนี้ได้สังคมนั้นมันมันจริงๆนะที่อาตมาว่าบรรยายไปแล้วนี่มันไม่ใช่ว่ามันไม่มันไม่จริงมันพลานมันพลามันเปลืองมันอะไรเพื่อเสพรสเสพสัมผัสอันนี้เท่านั้นมันไรสาระจริงๆแล้วมันก็พระพุทธเจ้าท่านสุดยอดแห่งการตัดสินแล้วท่านบอกว่า มันไม่ดีมันถึงบอกว่าไม่เอานะซึ่งไม่ใช่เรื่องจะเข้าใจได้ไ ง, ง่ายๆสําหรับความรู้สามัญของโลกนะเพราะเรื่องนี้ของพระเจ้าถึงมีเรื่องชัดเจนนะชัดเจนมากแล้วท่านสอนไว้นี่โอ้โหท่านบอกหยาบคายเลยนะท่านพูดถึงเรื่องว่าเรื่องไปหลงแบบนี้ห ย, ยาบคายอะไรต่างๆนั้นท่านว่าไว้ชัดหมดนะท่านวิจัยวิจารณ์ว่าไว้ยังเยอะแยะนะ มันาะถ้าเผื่อว่าใครเข้าใจแล้วก็ลดหลุดพ้นมาได้มันก็เป็นบุญเพราะในสังคมของเราเนี่ยจึงมีเรื่องนี้เรื่องที่ไม่ข้นควายในเรื่องนี้หรือพยายามสังวรสํารวมในเรื่องนี้มากอยู่มันจึงมีพลังรวมมีคุณค่านี่มันซ้อนนะไม่ดูเห็นง่ายๆแต่มันย่จริงๆใช่ไหมมันถึงเกิดพลังรวมพลังซ้อนพวกนี้ได้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง แต่สิ่งเหล่านี้วิสัยที่มันมันอย่าี้เราก็มีพอประมาณมันก็ไม่มีปัญหาอะไรตามที่ว่านี่แต่มันก็จะเป็นลักษณะพวกนี้ไปถ้ามันเป็นเรื่องของสังคมเป็นวัฒนธรรมและเป็นเรื่องของสมมติสัจจะจริงๆมันเป็นปรมัตาสัจจะเป็นสัจจะที่ลึกซึ้งแต่แม้สัจจะที่ลึกซึ้งนี่มันสอดคล้องกับสมมติสัจจะคือเพราะสัจจะมันสูงไง สมมุติก็เห็นสูงตามันสอดคลองเนี่ยแม้ได้โลกีหรือสมมุติเนี่ยเออมันก็เห็นสอดคลองมันไปก่อนแต่ถ้าเผอว่าปรมาสกจะสูงนี้โลกีมันเห็นกลับกันเลยมันไม่เอาด้วยเลยนั่นล่ะลําบากโลกีกับโลกียะหรือว่าสมมุติกิปรมัตกมันก็จะตีกันชกกันแย่งกันเพราะมันไม่เอาด้วยมันไม่สอดคลองแต่ถ้ามันสอดคลองมันก็ดีสอดคลองมากเท่าไหร่ตามปรมาสกจักร เรามัสมนศรัทธามั่ว่าสิ่งที่เป็นอุดมเป็นสิ่งที่สูงสุดละมันก็ไปได้เลยเราในสังคมของเราเนี่ยจึงพยายามช่วยกันรักษาทำให้ดีๆนะเราก็ไม่ต้องเึงขนาดมันจัดจ้านหรือว่าเอาแรงเครียดนะเคร่งเครียดหรือว่าเอาเป็นเอาตายอะไรกันรุนแรงเกินไปมันก็ต้องเข้าใจอนุโลมปฏิโลมคนเรานะพอเป็นไปอย่างที่เป็นอย่างทุกวันนี้อาตม า, าใช้ได้นะ มีบกพร่องบ้างมีอะไรบ้างก็เอาเถอะมันก็เป็นธรรมชาติที่สุดวิสัยแล้วก็ค่อยๆเป็นไปนะมีการนั่นนั่นเขวิธีการของสังคมลงโทษลงทันแลก็กกลงไอ้ที่จะพาะ อ, อนุโลมพอจะอว่าอะไรกันไปก็ว่ากันไ ป, ไปตามที่เป็นเป็นที่เราตอบกันอยู่เนี้ยเราก็ต้องประเมินต้องใช้สับริธรรมต้องใช้มหาประเทศอะไร ต, า ต, าตาร่างๆนานาตามหลักการพระุทธเจ้าก็เป็นประโยชน์นะ มีใครอีกไหมเมื่อกี้นี้อา้อาวอ้าวงามอะไรงามดีมากอา้าวอัปเตช็อกอีกทีหนึ่งเล่นสองครั้งเลย <c oughs> เอา่าบทจะพูดพอเล่นสองั<บ>อปเต อ, อชอ็อกเลยนะพอกาสลุงงามดีมากก่อนนะคะอา้อาวอ้ <c oughs> <c oughs> อาก็ขอกราบกาสทุกท่านนะคะดิฉันดาวเย็นค่ะ <c oughs> อตอนเข้าไปที่ศรีสาสศกใหม่ๆเนี่ยประทับใจต้นไม้ต้นหนึ่งนะคะมันพูดว่า อ, อย่าแต่งงานเลยอนี่นะคะแล้วก็จะมีบางต้นเขาก็จะพูดว่าบัณฑิตพึ่งประพฤติตนเป็นคนโสดผู้ฝากไฟในเมถุนย่อมเศร้าหมองนะคะเป็นำจักของพระเจ้าเลยค่ะไอะที่นี้พอผ่านมานะคะช่วงนี้ที่นก็ก็สรุปได้ว่าการอยู่เป็นโสดให้ได้นั้นเป็นเรื่องยากผู้ที่แต่งงานแล้วะจะไม่ให้มีลูก เป็กก็เป็นเรื่องยากอีกนะคะทีนี้ผู้ที่มีลูกหนึ่งแล้วจะไม่ให้มีลูกคนที่สองก็เป็นเรื่องยากนะฮะนี่เอาความจริงมาพูดทั้งน้ฉะ น, นั้ น, น, นะ ค, ะคนจริงฉะนั้ น, ช, นชาวอาสศกที่มีลูกหนึ่งลูกสองและลูกสามแล้วจงอยู่ในหมู่กลุ่มให้ได้เถิดนะคะและก็สรรเสริญยกย่องคนที่อยู่เป็นโสดตรได้เถิดคะ่ะ นี่เป็นนี่เป็นผู้ที่ให้อะไรให้สติอย่างที่เรียกว่ามันเรื่องจริงนะจ๊ะเอานามดีมากครับถูกตัดหน้าเป็นไรคนไม่เป็นไรครับผมดีครับดีก็ให้ได้คืออย่างที่ว่าไงตั้งตนเป็นคนโสดเขารู้กันว่าเป็นบัณฑิตน ส่วนคนหู้ฝากไก่ในเมีถุนย่อมเศร้าหมองผมก็ผมประกาศความเป็นส่วนตั้งแตอายุสิผมนี่ยนะเป็นบัณฑิตอายุ19บเก้ตอนนี้อนาะยุห้35บีปีแล้วนะแต่แต่ตอนนี้ผมบอกว่าผมใกล้จะประกาศเป็นมหาบัณฑิตแล้วไม่ใช่พูดเล่นนะผมพูดเล่นไม่ค่อยเป็นนะฟังสัเนียงการพูดก็รู้ไม่เล่นครับคือความรักสิมิติเนี่ยทําไมผมประทับใจมาก เพราะผมเห็นทุกขไงความรักคือความทุกข์เพราะความรักนี่แหละคือตัวการไอความเลวซ้ำมนี่นะไอความโลภความโกรธนี่นะมันก็เกิดจากความรักใช่รักรักลูกก็โลภมากโกรธมากรักลาบก็โลภมากโกรธมากนี่คือความเลวซ้ำของมันแล้วก็มารักเมียอีกรักเมียนี่คือความชั่วร้ายราคานี่คือความชั่วร้าย มันอะไรคือราคามากก็ชั่วมากโทุษามากก็ร้ายมากแล้วมันก็ทําให้คนทุกข์มากไอความรักนี่แหลยคือเป็นต้นเหตุตัวการเลยผมก็เลยเข้าใจมากผมว่าที่พระเจ้าบอกว่าสามวงนี้ใครสามวงนี้ใครพ้นได้คนนั้นพ้นทุกข์เรื่องจริงแต่ผมก็เชื่อว่าผมจะช่วยคนได้เยอะเพราะคนจะทุกข์เพราะเรื่องนี้เยอะแต่ผมก็ขอบคุณพอท่านนะที่ให้โอกาสผมได้ช่วยคนขอบคุณครับอ อที่ไหนๆในอัตมาว่าที่เขาเรียนกันศึกษากันอัตมาคงไม่มีที่ไหนเขาเรียนกันอย่างในขนาดในวงการพุทธศาสนาทั้งหลายเคาไม่ม <iso es> ีใครเครจะมาเรียนกันขนาดนี้เหมือนก็ยังชาวโสดอัตมาว่านะทั้งๆที่ในวงการของศาสนาน่ยนะในวงการพระสงฆ์เขาเรียนพุทธศาสนาเขาก็ไม่พูดกันทุกขนาดนี้เขาก็ไม่เรียนกันแบบที่เราเรียนกันเลย ทีีน่นโอ้โหอาตมาเราเป็นมหาวิทีอะไรที่ยิ่งใหญ่จริงๆเรียนกันยิ่งใหญ่จริงๆพูดกันอย่างเอาชัดเจนชัดแจ้งเลยอ่าแล้วอาตมาเชื่อว่าหลายผู้หลายคนที่นั่งฟังไปเรื่อยๆขณะนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่หมามันมันโดนทุบนะมันโดนทุบอักอักอักออ่าเด็กๆก็พลอยได้ยินได้ฟังกันดีอ่เป็นเรื่องที่ เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านว่าเนี่ยนะท่านว่าหยาบาแรงเลยเนี่ยโอ้ยสารพัดเนี่ยนะนี่เขาขึ้นมาให้อ่านนยคำแต่งมุขเจา้าสารพัดนะกามาเร็วอย่างนั้นรายอย่างนี้อะไรต่างๆนานาเปรียบเป็นง้นอย่างนี้สารพัด ท, ท่านไม่พูดหยาบไม่พูดแรงแต่ว่ามันมันชัดนะมันแข็งมันชัดมันท่านว่าเรื่างงงอย่างนี้นะอะอะไรนะ อ๋อผู้เห็นอยู่ว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนด้วยต้นไม้มีผลดกเพราะอัดว่าเป็นของให้กิ่งหักและให้ต้นลม้มนะถ้าผลดกนี่มันจะทําให้กิ่งหักต้นลม้มย่อมเว้นขาดกามโดยการข่มไว้นะฟิคคำพันโตกับค ำ, ำพันโตข่มไว้กามทั้งหลายเปรียบด้วยดาบและมีดเพราะอัดว่าอันนี้บอกถโทษมันไอ้พูดถึงหยาบหยาบเพโอ้โหต่างๆนาน า, นาท่านว่าหลายข้อข้อก้อนก้อนนะ กามทั้งหลายเปรียบไป้หอกหลาวเพราะว่าอาจว่าเป็นของทิ่มแทงย่อมเว้นขาดการามโดยการข่มไว้การามทั้งหลายเป็นตัวเป็นเหมือนหัวงูเพราะอัดว่ า, าเป็นของน้าสะพึงกลัวการามทั้งหลายเปรี่ยนไปกองไฟอันนี้โทษนั้นทั้งนั้นเลยไอนน้ที่มันฟังละหลามกละมกก็มีนะดังไฟกองใหญ่ให้เราร้อนย่อมเว้นขาดการามโดยการข่มไว้ไอ้เมื่อกี้ไปอ้ขบนที่ผ่านมาก่อนนะ่ะยิ่ง อ่ามันเหมือนเนื้อติดกระดูกอะไรไอ้กรอนนะั่นน่ะหยาบกว่านี่นะให้เห็นชัดเอาเถอะนะ่าหมดจะหมดเวลาแล้วเนี่ยอา่าวเหลือเหลือให้ อ, อ่าขอโอกาสค่ะอ้าวยังออไม่หมดเลยไอ้เวลาบทจะพูดเร <c oughs> าเขาหาพูดตอนแรกไม่เคยมาเอ า, ออาเอาเลยขอโอกาสค่ะเอาเลยอ่าได้ยินได้ยินดาวเย็นพูดก็เลยนึกถึงสภาวะตอนนั้นนะคะรู้สึกเสียใจที่ ที่พี่ต้อยต้อยสันสนีนะคะแต่งงานเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าเราจะมาเป็นโสดกันนะคะอยู่ศรีสะอโศกนะคะอ่าแล้วดาวเย็นนี้ก็ยังเล็กอยู่ก็คงจะเป็นสาวต่อไปนะคะพออยู่บันราชเขาถึงได้แต่งงานแล้วมาถึงตอนนี้ก็อยากจะฝากพี่ใบฟ้านะคะ <laughs> กลักลุนาช่วยกันเป็นโสดด้วยนะคะอย่าอย่าติ้งดิฉันไปนะคะตอนนี้ดิฉันแก่แล้ว <laughs> ยังไงยังไงก็หาไม่ได้อยู่แล้วนะคะ <laughs> ขอบคุณนะคะพี่ไบฟ้า <laughs> เออมันเตือนสติกันดีอ โ, อโอ้โหยังมีอีกเหรอเนี่ยเอาเอาไม่เป็นไรสมณะไม่ต้องพูดก็ได้สิกามาไม่ต้องพูดก็ได้เพราะว่ามันเลยเอ้าเอาไมโครโฟนให้แล้วเนะี่ยยกมือนานละ อ่าน้องโมกอย่าพูดเหรอโอ้โหน้องโมกอย่าพูดบังเอา<พ>อเลยหลกาบหลวงปู่ท่านสมมามะนะสิกขามาทุกองคค่ะออขอจะเจริลนธรรมผู้ใหญ่พี่พี่พเพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกคนค่ะเออหนูมีคำถามอยากจะถามหลวงปู่ว่าพระโพธิสัตว์คืออะไรคะอ่าแม่ ถามคำถามออกนอกเรื่องบันนี้เรื่องความรักสิมิตินะเนี่ยถามว่าพระโพธิสัตว์ <S <S คืออะไรคะเหรอค่ะเอาาเอา้าเอา้าถามก็ตอบนะพระโพธิสัตว์คืออะไรในเทรวาสนี่ไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้จักพระโพธิสัตว์เลยแม้แต่มหายานก็ออกนอกทางนอกเรื่องนอกทิศไปมันเกินไปมันเบ้อไปพระโพธิสัตว์ คือสัตว์ที่มีโพนี่นตามภาษาตรงๆก่อนสัตว์ที่มีโพก็คือมนุษย์มนุษย์นี่คือสัตว์มนุษย์โซมนุษย์สัตว์ชั้นสูงสัตว์จิตสูงมีโพคื อ, อได้มีความตรัสรู้โพธินี่คือความตััสรู้ก็เคย อ, อธิบายฟังแล้วว่าตััสรูร้คืออะไรตััสรูร้คือได้ภาคเปลี่ยนปฏิบัติทําได้เกิดความรู้ตามคําตรัสของพระพุทธเจ้า ตั้งแต่องค์ไหนมาก็แล้วแต่ท่านตรัดมาสอนมาแล้วผู้ที่ได้มีความรู้นั้นตามคำตัดอย่างถูกตรงได้ผลอย่างแท้ จ, จริงผู้นั้นได้มาแล้วนั่นแหละเป็นผู้ที่มีความรู้ตามคำสอนพระพุทธเจ้าจริงที่นี้คำสอนพระพุทธเจ้านั่นมันมีอยู่สองประเด็นหลักเห็นแก่ตัวกับเห็นแก่ผู้อื่นนี่คือสองประเด็นหลัก ผู้ที่ปฏิบัติธรรมอรุจ้าแล้วเสร็จเป็นอรหันต์ก็คือผู้ล้างความเห็นแก่ตัวได้เกลี้ยงอรหันต์คือล้างความเห็นแก่ตัวได้เกลี้ยงทีนี้อรหันต์ที่เป็นเทรวาตที่เข้าใจไม่สมบูรณ์ว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมอรุจ้าอย่างสมาธิฐิครบแล้วจะได้ประโยชน์สองอันเลยหนึ่งความเห็นแก่ตัวเป็นประโยชน์ตรงที่ว่าหมดความเห็นแก่ตัวเป็นอรหรันต์ สองเห็นแก่ผู้อื่นรับใช้ผู้อื่นสองอันครบเลยออนสายโพธิศัตว์หรือโพโพสายมหายาณ ส, สายที่เขาถือโพธิศัตว์เนี่ยเขาจึงเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นมากจนเลยเถิดแล้วไม่รู้ว่าอารหันคืออะไรล้างกิเลสตนเองไม่เป็นได้แต่ทำประโยชน์ผู้อื่นตะพุ้นเลยฝ่ายทางด้านเทรวาต ได้จะทําประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไม่เห็นเลยไม่มีเลยสุดโต่งเป็คนละฝ่ายเรงางานโพธิสัตว์จริงๆนั้นคือผู้ได้สองอย่างคําตัดส่วนพระเจ้าได้สองอย่างเอมอุปอโตปอภอออยัตถคือได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ตนคือละกิเลสหมดไม่เห็นแก่ตัวประโยชน์ท่านคือเห็นแก่ผู้อื่นอย่างเต็มที่เลยเต็มที่รับใช้ประโยชน์ผู้อื่นช่วยโลกาภุก ร, รมปาสรุปพระโพธิสัตว์ก็คือ ผู้ที่หมดความแห็งเกตตัวแล้วก็ทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริงสันสนประโยคเอาสาระแท้แท้ของพระโพธิสัต์เพราะความเข้าใจผิดสองอย่างนี้สองสงสายมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วยิ่งโพธิสัต์เนี่ยไม่รู้เลยว่าอาการล้างกิเลสตัวเองเนี่คือทางใจมีแต่ออกไปนอกเลยกว้างไปหมดเลยไปช่วยแต่ผู้อื่นเก่งช่วยผู้อื่นเก่ง แต่กิเลสตัวเองไม่เป็นได้แต่ข่มไว้เฉยๆนะอัตมาว่ายังเป็นประโยชน์โลกส่วนเทราวาสนั้นไม่ได้ช่วยใครเลยเห็นแค่ตัวจะเต็มที่เลยออกนี้ป่าเขาทำไปตายในภูเขาตายในท่าทตายในเหวตายในอะไรต่างๆนาะนาสารพัดไปหมดไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะมันก็คนละอย่างอย่างอย่างมหายานเขายังมีประโยชน์คู้นั้นพู้นี้ก็มากนะ อาตอบยาวไปนิดนึงเข้าใจไหมตกลงบริษัทสรุปได้ยังว่าคืออะไรบ้างไงอ่าอา่ลองฟังดูสิเนี่ยฟังแล้วนายหลวลงปู่อธิบายพอจับสาระได้ไหมโพทิโาสตร์มีมีอยู่สองอย่างก็คือข้อที่หนึ่งก็คือไม่ไม่มีกิเลสแล้ว อีกอันนึงก็ให้แต่คนอื่นไม่ไม่ให้ตัวเองไม่เห็นแก่ตัวค่ะเอ อ, อสรุปได้ชัดเจนตอบได้เต็มตอบได้เต็มนใช่ได้อ้าวเอ า, เ, อาเหลืออยู่อีกประมาณสิบห้านาทีอา้าวทางนี้จะพูดบ้างอา้าวโหโหสองคนเลยสิขมาศเอาเอาเลยสองคนนี่สิบห้านาทีคงหมดเอาเอามาก็โฟนไหมหน่อยแล้ว นึกว่าเป็นนักบวชแล้วจะไม่พูดเรื่องนี้ค่ะขอท่านคะขออนุญาตค่ะเอาอีกมีแถมอีกนอกค่ะขออนุญาตค่ะขอย้ายืนยันนะคะว่าเข็ดแล้วกลัวแล้วอย่าซ้ำฉันเลยเข็ดแล้วความรักเจ้าเอ๋ยกลัวแล้วความรักเจ้าขาค่ะ จริงๆค่ะเมื่อตอนเมื่อตอนเขาชอบเราผู้ชายนะคะเขาจะปก ป, ป้องดูแลเรานะคะอุ้ยนะคะเป็นห่วงเป็นใหยนะคะเป็นห่วงเป็นใยมากนะคะน้ำเนนี่ยายนำเดินเดินไปไหนก็แม้แต่ใครมองก็ไม่ให้มองนะคะนียายนำเน่าเขาพิเกะตัวตนะคะาิเกตตัวแต่พออยู่มาอยู่มาแล้วกลายเป็นว่า ตอนนั้นเราสวยพอต่อมาต่อมาเราคิริเอตจะแล้วนะคะแต <พอ S 2> ่เราจ ะ, จะสวยอ ย, <ไป S 1> อย่างเดิมนะพอเดินไปไหนก็ไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะเขาดันให้เราเดินหน้าแต่เขาจะเดินตามหลังะค่ะถ้าหมากัดเขาก็ให้กัดเราก่อนนั่นแหละค่ะ ไล่เราให้เดินหน้าเลยค่ะห ม, มามันจะกัด ค, คนข้างหลังนะแล้วก็เวลามันชอบกัดน่องนะธรรมดาเขาจะเดินนำหน้าถ้าหมากัดเขาก็จะไล่แต่ทีหลัง่อต่อมาเขาก็จะให้เราเดินนำหน้าถ้าหมากัดเขาก็ให้กัดเราอะคะ่ะผู้ชายก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ ะ, ะเดี๋ยวให้ผู้ชายมั่งได้ว่าผู้หญิงอีกแล้ว แล้วแล้วพอนั่งสนทนากันนะคะเขาก็จะบอกแก่ง่ายตายยากค่ะค่ะเมื่อก่อนนี้โยมมีเพื่อนนะคะเพื่อนก็มีแต่คนสวยๆโยมก็อิจฉาเพื่อนว่าทําไมก็มีแฟนนะคะทำไมทาไมก็มีแฟนอิจฉามากเลยตอนนั้นเรียนที่เกษสยามนะคะแล้วอยากมีแฟนกับเขาบ้าง อุ้ยนะคะเสื้อตัวไหนเขาว่าสวยกระโปรงตัวไหนก็มาสวยใส่ใส่เท่าไรเท่าไรก็ไม่มีแฟนกับเขาบันเป็นบุญหรือเปล่าไม่รู้นะคะตอนนั้นนะคะอิจฉาก็มากเลยนะคะที่แต่งงานพ่อให้แต่งนะคะพอแต่งแล้วพ่อท่านกทุกข์มากเลยนะคะมีแต่เรื่องทุกข์ถ้าเอาน้ำตาใส่ปี๊บคงจะได้สักสองปิ๊บนะคะห น, น, นีก็ไม่ให้หนีค่ะ นี้ไปไหนก็ไม่ให้ไปค่ะเอาละเดี๋ยวมันจะเป็นนิยายในละครนําในโทรั์ก็ขอยืนยันว่าอยู่เป็นโสดนั่นแหละดีค่ะเด็กๆฟังไว้เด็กๆฟังไว้อ้าวเร็วเดี๋ยวหมดเวลาให้สองท่านกลับขอการเพราท่านท่านสมันเตสิงมาตค่ะเจริญธรรมพุทธทุกคนนะคะ รู้สึว่าการสรุปธรรมะวันนี้ผู้เรามีสภาะสภาวะกันเยอะเนาะมีชีวิตชีวานะคะฟังวันนี้แล้วก็ได้เห็นความเมตตาของพ่ะท่านและนึกถึงความเมตตาของพระเจ้าด้วยนะคะว่าคือนึกถึงคือคําสองของท่างสองท่านนี้นะคะพระเจ้าก็จะบอกว่าเรื่องของกามคู่นี่คือเป็นทุตทุนลังวัสวะธรรมังขามะธรมังแปลก็คือเป็นพฤติกรรมของคนชั้นต่ําเป็นคนถอย นาเป็นเรื่องของชั่วหยาบนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของชาวบ้านนี่คือสิ่งที่พระเจ้าท่านท่านท่านพูดนะคะแล้วก็ยิ่ฟังของพ่อครูบ้างนะคะพ่อครูบอกว่าความรักแบบคู่นี่เป็นความรักที่มีค่าต่ําที่สุดแล้วก็เลวที่สุดในโลกใครมีความรักแบบคู่ขาดทุนที่สุดขาดทุนยกกําลังแล้วก็ไร้ค่าที่สุดแล้วก็แปล ก, การมาสุขาลิกานะคะว่าเป็นสุขแบบตอแหลเป็นความเท็จ คือเราฟังแล้วเราก็เรามีความรู้สึกว่าผู้แรงทั้งคู่พูดเราว่าแรงไหมคะแรงคือเราฟังโอ้โหแต่มันจะคนละลักษณะนะคือถังของขอ ง, ของพวกครูเรามีความรู้สึกว่ามันมันมันก็เห็นภาพพดชัดเข้ามันสุดๆอ่ะนะคะแล้วก็ส่งพระเจ้านี่โอโหก็เป็นคนเป็นเรื่องของความชั่วอยาบเป็นคนถอยอย่างเงี้ยเป็นคนชั้นต่ําอย่างเงี้ยแรงทั้งคู่แต่เราก็เข้าใจว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีเจตนายอย่างไร ก็เพื่อที่ว่าจะให้พวกเราได้เห็นได้เห็นสัจธรรมว่าอย่าไปมีเลยความรักแบบคู่เพราะมันมีทุกอย่างที่พวกเรา ส, เสะท้อนมาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็นึกถึงตัวเองเหมือนกันน ะ, ะว่าที่เรามาอยู่วัดได้นี่ก็เพราะเรื่องนี้เหมือนกันก็โดยเห็นจากคนรอบข้างนะญาติญาติพี่น้องคือตอนแรกก็รักกันดีเหมือนที่พวกเราผู้ทุกคนอ่ะนะคะแต่สิ่งที่ตา ม, มามันมีมากมายเลยโดยเฉพาะภาระ มีคู่ยังไม่มีลูกก็มีภาระระดับหนึ่งแต่พอมีครอบมีลูกแล้วโอ้โหภาระมันตามมามากเลยนะคะเห็นเห็นแม่ตัวเองนะคะว่าไหนต้องเลี้ยงลูกทํางานนอกบ้านก็ต้องทําเลี้ยงลูกต้องเลี้ยงซักเสื้อผ้าให้สามีก็ต้องซักอีกนะคะทําอาหารให้กินอีกกลางม้งให้นอนอีกมันก็คิดนะนะตั้งแต่เด็กๆคิดด้วยทไมคนเป็นภรรยาทำไมต้องทําทุกอย่างเลยเนาะมันไม่ต่างอะไรกับทาสเขาเลยนะ คือคือนึกถึงคือเห็นเห็นพ่อตัวเองคือทํางานนอกบ้านก็ทํางานหนักนะคะแต่เป็นแม่ทํางานเรามีความรู้สึกของเรามีความรู้สึกว่าหนักกว่าพ่ออีกคือมันภาระมันมากกว่าอย่างแนนอนก็ดึกอะไรเงี้ยนะคะก็เลยแต่ตอนนั้นก็ยังคิดไม่ออกแต่พูดถึงว่าคือ ก, ก็ก็เห็นทุกตัวแต่ตอนนั้นนั่นนะคะเราก็ยิ่งเห็นผู้หญิงแต่งตัวแต่งหน้าทาปา ก, ดกแดงๆอันนี้รู้สึกมันมันมันไม่ค่อยน่าดูนความรู้สึกของตัวเองนะคะสุดท้ายก็ได้มาเจอทุกที่ทําให้เราเห็นทุกชัดขึ้นตรงที่ว่า พี่ชายเสียชีวิตเนี่ยแม่นี่เป็นลมแล้วเป็นลมอีกเพราะความรักลูกไงฮะคือยิ่งรักมากทุกมากคือกินข้าวไม่ได้เป็นเดือนคิดถึงลูกเวลามีแขกมากก็จะมาเยี่ยมก็จะร้องให้ตลอดยิ่งทําให้เราคิดโอ้ความรักที่มันทุกข์จริงๆนะสุดท้ายก็โชคดีมีความรู้สึกอย่างนั้นไม่นาก็ได้มาเจอท่านพระชาวโศกนะฮะและได้มาฟังธรรมและได้มาอยู่วัดค่ะต้องขอบคุณความรักนะคะที่ท า, าให้ดิฉันได้มาอยู่วัดค่ะขอบคุณค่ะเจริญธรรมค่ะ อ้าวนี่ของคนโสดที่นี่ของคนเคยมีคู่มั้งกลับนามสการพ่อท่านท่าน ส, นาสํญญานักทศกามาดค่ะเจริญถ้ำค่ะพวกเราทุกคนค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะเป็นเรื่องซึ่งเรียกว่ามะหึมามะหึมาดึงดําบันมาตั้งแต่อมมบ่าพารามิเซียมแล้วตั้งแต่สัตว์เซล์เดียวนะคะมันก็ต้องจับคู่เพื่อพันอะไรก็แล้วแต่เนะะี่ยค่ะ ศาสนาอื่นไม่น่าจะมีที่จะสอนลึกซึ้งขนาดนี้นะคะศาสนาพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้ออกจากวัตะสงสารค่ะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดขึ้นสู่โล ก, กุตละเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากจิคมาสเนี่ยสามารถที่จะออกมาจากเรื่องของความเป็นคนคู่ได้ก็เพราะมาฟังธรรมจากพ่อท่านนะคะแล้วได้อ่านความลักสิมิติ ชัดเจนมากๆเลยนะคะจนกระทั่งบอกอูเราต้องเปลี่ยนระดับความรักจากมิติที่หนึ่งนะมันเห็นแก่ตัวมันเห็นทุกชัดเจนนะนะคะเพื่อท่านพูดเนี่ยชัดเจนนะคะบอกว่ามันเลวที่สุดเพราะว่าขาดทุนที่สุดไร้ค่าจริงๆนะคะมันเป็นความเห็นแก่ตัวเนี่ยแต่เนื่องจากอะไรคะเนื่องจากอุปทานว่า โอโ้ดูหนังก็แฮปปี้เอนดิ้งนะพระเอกนางเอกต้องรักกันต้องจบด้วยการแต่งงานนะคะดูอะไรมันก็โอ้โหอย่าเมื่อกี้ใครร้องนะเห็นนกน้องบอกว่าไม้อะไรนะคะทุกอย่างก็มีคู่หมดแล้วเราเป็นคนละ่ะเขาก็แต่งงานกันไปทั่วอะไรอย่างนี้นะคะอ้าวแล้วเราจะยังไงน ะ, ะมันก็เลยมีอุปทานว่าความรักเป็นความสุขแล้วก็มาได้ยินว่าพระเจ้าบอกความรักเป็นความทุกข์ วิ่ตอนนั้นก็ค้างอยู่ในใจพุทธเจ้าผููจริงหรือเปล่าเนี่ยนะคะแต่ว่าเห็นไหมคะแต่เนื่องจากอุปทานในนี้แล้วก็เรื่องของความต้องการทางการ ม, ารมัลมซึ่งมีอยู่ทุกคนใช่หไหมคะมันดุนดันกดหัวเราให้แต่งตัวแบบนั้นแบบนี้อย่างที่ว่านะคะมันก็เป็นมต่สัตว์ละสัตว์มันก็นะ่มีสีสันอะไรต่างๆสารพัดพระเจ้ารอให้อีกตัวหนึ่งได้เสพสมใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า ที่เขาบอกว่าออกว่าจะรักกันได้จะต้องลงทุนขนาดไหนก็ลงทุนจริงๆนะคะของสิคมาเนี่ยคอยมา12ปีค่ะนะคะกว่าจะแต่งงานแต่อยู่กันได้ประมาณ2ปีกว่ามาเจอธรรมะในปฏิบัติธรรมเนี่ยได้อ่านความรักสิมิติเนี่ยเรารู้สึกว่าเราต้องกระจายความรักออกสู่มิติอื่นนะคะแต่ไม่ใช่อ่านแล้วทาได้อย่างเดียวนะคะอ่านแล้วต้องลดละ ก, กิเลส ด, ด้วยต้องถือศีลห้าต้องถือศีลแปขึ้นมาค่ะจิตเราเนี่ยนะคะหลายๆท่านเนี่ย ถ้าเราออกมาจากตรงนั้นแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าโอ้มันไม่ใช่แล้วนะสิ่งที่เราคิดอุปทานว่ามันเป็นความสุขนะมันต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะคะมันไม่ใช่แล้วนี่แล้วมาฟังพ่อท่านเนี่ยก็ได้รู้ว่าเออพ่อท่านมีอยู่วันหนึ่งเทศฮ ะ, ะสะดุ้งเลยนะก็มานั่งฟังธรรมกับสามีเหมือนกันท่านก็บอกโอ้ยไอ้เรื่องนี้มันเรื่องง่ายๆเรื่องยับยบหมูม้ากาไก่ก็ทาเป็นโอ้โหสะดุ้งเลยนะคะกลับไปบ้านไปบอก ได้ยินพ่อท่านเทนหรือเปล่าวันนี้ยฉันไม่เป็นหมูหมากาไก่แล้วนะนะคะไม่เป็นแล้วโอ้จริงมันสะดุดใจนะคะแล้วเราไม่เคยคิดนะ่ะว่าพฤติกรรมอย่างเนี้มันก็คือเรื่องของสัตว์ทั้งนั้นแหละนะคะแล้วเราจะไม่ต้องทําอะไรอย่างนี้ชีวิตเกิดมาเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณให้สูงขึ้นแล้วมาอ่านธรรมะเ อ, อ่ออะไรนะคะสี่ข้อสามที่พ่อท่านเขียนอีกท่านบอกว่าใครยังมีคู่อยู่อะไรอยู่เนี่ยจะต้อง ยังต้องกลายเป็นสัตว์นรกเป็สัตว์เร่ร่อนอสุรกายหูฟังแล้วน่ากลัวมากเลยนะคะเราจะต้องทํำยังไงให้กับชีวิตมันก็ต้องตกนรกอยู่แล้วฮะเนี่ยหลายๆคนมีคู่ครองก็ต้องทุกข์ต้องเสียใจเขาบอกว่ามันเป็นความรักอย่างที่เราดูนะคะความรักมันเป็นไปได้ยังไงรักแล้วทําไมต้องทะเลาะกันตบตีกันพูดหยาบคายกันทําไมไม่บอกว่าเห็นนกน้องบอกว่าไม้อะไรอย่างนั้นล่ะคะใช่ไหมคะ แต่ตอนนั้นน่ะเราก็เออทั้งพ่อแม่ทั้งเพื่อนฝูงอาจจะบอกคนนี้ไม่ดีแต่เราก็แหมชอบนะคะถึงร้ายก็รักเนี่ย <c oughs> ที่บอกก็ความรักเหมือนตาบอดเนี่ยความรักเหมือนโรคาบป็ดาลตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคใดๆความรักเหมือนโคถึกก็ยังคึกฝีขังไว้ก็แล่นจากคอกไปบอยอมอยู่หน้าที่ขัง ถ้าแม้นจะห้ามไว้ก็ดึงไปได้วยกำลังยิ่งห้ามก็ยิ่งคลั่งบวกลังคิดถึงเจ็บกายมันโง่อวิชากันขณะนี้ฮ ะ, ะแล้วผลสุดท้ายเป็นไงเอาเร็วๆนี้ทั ท, ะทะยังค่ะเพิ่งแต่งงานโอโ้โหโพสต์กันเต็มที่เลยนะคะซึ่งเขาก็แต่งมานี่เป็นคนที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะคะอาจจะไม่ได้แต่งแต่ก็ผ่านๆมาก็คือทุกคนก็มองแล้วโอ้โหฉันจะต้องมีอย่างนี้อย่างนี้มันคงเป็นความสุขนะ อ, อะไรต่างๆนะะีฮะมันก็เป็นอุปทานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเห็นเลยว่า รักแล้วทําไมทําลายกันได้รักมากๆไม่ถูกใจทําไมฆ่ากันน ะ, ะอันนี้ก็อยากจะให้เด็กๆนะคะที่คิดว่ามีความรักอะ่ะมันคืออะไรอ่ะนะคะมันไม่ใช่นะคะความรักที่แท้จริงมันน่าจะเป็นอะไรเป็นการที่ให้คุลความเมตตาเป็นความที่ช่วยเหลือแล้วจริงๆนะคะถ้าเราสามารถถือศีลแปดได้ประพฤติตนเป็นคนโสดได้นะคะให้กําลังใจคนที่ยังเป็นโสดอยู่นะคะ ให้มีกำลังใจว่าเรามีบุญค่ะนะคะเราไม่มีเจ้ากรรมนายเวรนะคะมาให้เราเป็นทาสค่ะอย่างที่ศิกมาตร์บอกเมื่อกี้ต้องหุงข้าวต้มแกงทำทั้งงานนอกงานนายอู้สารพัดนะนะคะผู้หญิงน่าสงสารค่ะนะคะก็อยากให้กำลังใจผู้หญิงว่าตั้งตนเป็นคนโสดนะคะเป็นบัณฑิตคนโง่าฝาักฝ่ในเมทุนย่อมเศ้าหมองไม่ได้ซ้ำเติมใครนะคะ ใครมีแล้วก็ยังสามารถทําจิตใจของเราให้หลุดพ้นค่ะนะคะหลุดพ้นแล้วก็ยังต้องพิจารณาต่อว่ายังมีในใจไหมยังดูหนังแล้วยังรู้สึกอูชื่นใจจังเลยเขาจะเจอกันแล้วเขาจะสมหวังกันแล้วมีตัวนี้ไหมถ้ามีตัวนี้แปลว่ายังไม่พ้นนะคะมันยังชื่นใจอ๊้เห็นเขาเอาลูกมาน่ารักจังอุ๊ยครอบครัวนี้น่ารักจริงต้องอ่านจิตในข้างในลึกๆด้วยนะคะก็ต้อง พิจารณาด้วยเรายังยินดีพอใจไหมถ้าเราปฏิบัติธรรมต้องการพ้นจากวัตตะสงสารนะคะเราต้องให้หลุดพ้นเรื่องนี้ให้ได้อย่างเด็ดขาดค่ะเพราะว่าตัวการมีความรักมีความไข่มีลูกมีสามีภรรยาอะไรเนี่ยค่ะโอ้ยวัตตะสงสารอีกยาวนานเลยนะคะก็คิดว่าอันนี้ได้ประโยชน์มากมากนะคะจากความรักสิกมิติค่ะกราบขอบพระคุณพ่อท่านค่ะอืาอาเอาละ อัตมาก็ขอสรุปทรงท้ายว่าวันนี้แม่เราเรียนเรื่องกับไอเรื่องอความรักสิมมิติวันนี้เนี่ยโอ้โหได้เนื้อเนื้อะอัตมาว่าน่าได้เนื้อเนื้ อ, อมันคงสะดุ้งกันไปหลายหลายคนนะนะสะดุ้งกันมันรู้สโอ้มันถึงถึงกันดีวันนี้ว่ากันนะน่าคงได้ผลมั่งนะน่ได้ผลมั่งนะ การศึกษาวันนี้เรื่องอความรักสมิติเนี่ยถึงแม้ว่าผู้ใดที่ยังเป็นยังมีอะไรอยู่ก็อย่าไปคิดว่าโอ้เนี่เราดา่าเราว่าเราซ้ําเติมอะไรอะไรอย่างที่สิกรรมาต์รินฟ้าว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องสัจริที่ผู้ที่รู้ยิ่งที่สุดอย่างพระพุทธเจ้าท่นานตรัสรู้แล้วแต่ว่าคนเรามันเอาวิชาจริงๆ อวิชามันฝังรากมาไม่เช่นแหมมันไม่ใช่แบบน้อยๆมันจริงๆเรื่องอย่างนี้นี่นะมันเป็นเรื่องของสมสูรเนี่ยเป็นเรื่องเพศเนี่ยมันมีตั้งแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานตั้งแต่สัตว์เล็กจนกระทั่งถึงสัตว์มาเป็นมนุษย์อีกคิดดูสิมันสั่งสมมาตั้งเท่าไหร่ราคะการเรื่องเพศที่จะต้องสมสู่อย่างเงี้ยตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานมาจนกระทั่งทุกวันเนี่ยแล้วมาเป็นคนเนี่ยยิง่งโอ้โห ร้องร่นยิ่งมาเป็นคนแล้วเนะี่ยอยูปรุงแต่งองค์ประกอบยัว่วยวนมอมเมาโอ้โหยิ่งมากเรื่องหนักก็ไปอีกหนักมากๆเลยหาคุณค่าความดีความมีประโยชน์ไปประกอบนะไปประกอบใส่เข้าไว้ในความรักเมทุนนี่อีกอเพื่อที่จะชูให้มันรู้สึกว่ามีค่าอะไรเงี้ยใส่เข้าไปปลอมแปลงยัดเยียดใส่เข้าไปเยอะเลยทุกวันเนี้เขา ตกแต่งปรุงแต่งกันมากจริงๆแต่ตะขันออามาจริงๆแล้วเนี่ยที่อาตมาจะอธิบายไปในความรักสีมิติเนี่ยถ้ามิติที่สองที่สามันก็ดีขึ้นจนกระทั่งถึงมิติที่เจเนี่ยมันจะยิ่งเห็นเลยว่าไอ้ความรักที่มันผูกยึดเมันแม้มันจะถูกผูกยึดคลายออกคลายออกคลายออกออก็ออกจะเห็นได้ว่า ถ้าคลายออกได้แล้วเนี่ยมันมีประโยชน์คุณค่าแก่ตัวเราเองแก่สังคมอย่างแท้จริงเลยเพระะ้อถ้าเผื่อว่าสําเร็จในความรักที่มันไม่ได้เป็นเรื่องของกามมันไม่ได้เป็นเรื่องของแวดุ้ยอาติโกโยติกาไม่ได้เป็นเรื่องของหมู่กลุ่มอะไรก็แล้วแต่แม้แต่ที่สุดไม่เป็นแต่แค่ความรักแคบแค่ประเทศของเรา มันเผื่อแผ่ไปมวลมนุษยชาติไปทั้งหมดทั้งโลกเลยอย่างนี้เป็นต้นมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนอมันเห็นเพื่อเัื่อคนทุกๆคนเพื่อเต็มไปหมดเลยอ่เครือตมาว่าโดยปฏิภานสมรรณ์เนี่ยคนทุกคนที่อัตมาพูดแล้วนีก็คงจะพอเข้าใจว่าเออจริงๆด้วยนะอ่าแต่ทำไมคนไม่ทำเพราะไม่ได้ศึกษาจริงไม่ได้ปฏิบัติจริง อาตมาเป็นโพธิสัตว์เนอาตมาต้องทําคุณธรรมอันนี้ทําความจริงอันนี้ได้จึงรู้สึกดีเข้าใจดีเพราะอาตมาเขียนความรักสิมิติเนี่ยไม่ได้พลดไม่ได้อะไรมันมีมาตั้งแต่ไหนก็ไม่รู้อาตมาไม่ได้พลดไม่ได้อะไรเลยเดินไปเอ๊ะเท็นเรื่องอะไรดีคิดเรื่องนี้เท่เลยมิติสิกรักสิมิติตั้งแต่เน็ตที่จําได้อหนังสือเล่ม น, นี้ก็ เทศเสร็จก็รวบรวมมาเป็นเล่มซึ่งมีหลักฐานยืนยันซึ่งเทศนั่นแหะอตาตมาไม่ได้เขียนตอนหลังที่เขาไม่เขียนไงเทศแล้วก็ซักกันเทศสองกันก็กรวบรวมมาเป็นหนังสื อ, อซึ่งมันเป็นสิ่งที่จริงที่สุดมันเป็นสุดยอดแห่งอารมณ์ของสัตว์โลกโดยเฉพาะอารมณ์ของมนุษย์ของคนที่มันแยกก็เดรฉานด้วยแยกก็ด้วย ร้อศึกษาให้ดีแล้วก็เลิกล้างละได้เนี่ยเป็นประโยชน์อย่างที่สรุปแม้ที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เห็นแก่ผูกพันเห็นแก่กว้างขึ้ น, น, นกว้างขึ้นเนี่ยก็ฟังไปความรักสิมิติมันกว้างขึ้นบ้างมันดีขึ้นเมื่อกว้างขึ้นพอพ้นมิติที่เจ็ดแล้วมิติที่แปดคือของพุทธพุทธก็ศึกษามิติที่หนึ่งถึงเจ็เนี่ยล้างมาล้างมาละมาล ะ, ละมาล ะ, ละม า, ะม า, ะมาก็คือละตามมิติหนึ่งถึงเนี่แหละ พอหมดจบเจก็เป็นอรหัน์เป็นมิติที่9มิติที่8ก็มิติที่ศึกษาของพุทธทั้งหมดมิติที่9ก็เป็นมิติที่หมดเป็นอรหันเป็นอรหัน์เป็นนิพพานอรหันนิยมนิพพานนิยมส่วนมิติที่ส0บเนะี่ยมันสูงยกไวแล้วเป็นมิติของพุทธนิยมหรือพุทธ หรือโพธิสัตว์ภูมินิยมเป็นมิติที่ยกไว้นะอ่ะอาละสลับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเจริญธรรมทุกคน อาสาธุ